อาหารก็ทานไม่ลงนะถ้ากรรมมันให้ผลอาหารเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปนะัมันจะอเจียนออกมาคืนถ้าอากุศลมันให้ผลเนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยก็บอกว่าถ้าอากุศลมันให้ผลนะสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นที่รักก็จะหนายไปสิ่งที่มีอยู่ก็จะร่อยรอลงไปมันก็จะมีแต่ลดต่ำไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆนะเหมือนกับฟองสบู่ทึ่งมันถึงที่สุดแล้วมันก็แตกยุบยุบยุบยุบลงไป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 บอกโอ้เนี่ยคนอนาถาเป็นอย่างนี้เองคือคือคนไร้ทรัพย์อ่ะนะคล่าๆกับว่าเราเนี่ยเป็นคนจนอ่ะนะมีคนมาขออะไรเราสักอย่างหนึ่งเราไม่มีจะให้เขาโอ้โหคนยากคนจนอนาถานี่มันเป็นอย่างนี้เองนะโอ้พอมันคิดมาปุ๊บโอ้เราเนี่ยมันจนขนาดนี้เลยเหรอทีนี้โอ้ค่อยค่อยนึกถ้าทำคําสอนนะค่อยค่อยนึกนึกนึกเราจะได้ได้สักสูตรสองสูตรจะได้เรื่องพูดแล้ววันนี้ไม่งั้นนึกาถ้าทำไม่ได้สักสูตรเลย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 กุศลจิตเฮริโอตาปะเนี่ยจึงย่มากมายพอกพูนนะใช้นี่ก็ไม่หมดแล้วโยะเรียกว่าอากุศลเนี่ยมันมาตัดร้อนออกไปเนี่ยก็หมดแล้วทั้นถ้าหากว่ากุศลศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาหิเรโอตาปะกุศลจิ ต, หตเหล่านี้ไม่ค่อยเกิดนะขอให้รู้เถอว่านี่คือคนขัดสนในในสังสารวัฏผู้อยู่ในสังสารวัฏแบบคนทุกค น, กคนยากคนยากคนจนคนอนาถา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 อาจารย์ก็ฉลาดก็ บ, บอกว่าเอศิลปะที่ไม่ได้ค่าบูชาครูก็จะไม่ให้ผลนะพะอ่อเออทำแมบบูชาครูไม่เสร็จนะวิชาเนี่ยเสื่อมเหมนกันอหิงสากะกูมานั้นก็เลยถืออาวุธห้าประการคือปกติเป็นคนที่ว่า ง, ง่ายมากนะหิงสากะกูมานเนี่ยอาจารย์ว่ายังไงก็ทําตามมดทีนี้ไหวาอาจารย์แล้วก็ถืออาวุธเข้าไปสู่ดงยืนอยู่ณที่คนจะเข้าไปสู่ดงบ้าง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 พระ อ, องค์เนี่ยมาถึงป่าใหญ่เพื่อจะสงเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นการแลนานาโอ้นาแล้วเพิ่งไปเห็นอ่งนั้นเพิ่งพระมาโปรดอางนั้นข้าพเจ้านั้นจักประพฤติละบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมะของท่านจนองคุริมาณกล่าวดังนี้แล้วก็ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันจนองคุริมาณก็ได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุคต แล้วได้ทูลขอบรรท่าชากับพระสุคตณที่นั้นก็แลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยพระกรุณาสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองค์ุลิมานโจรในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะของโจรองค์คุลิมานในขณะนั้นบอกว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดเหมือนกันเรียบร้อยเลยบวชและว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 อันตะกิริยยะแปลว่าเธอจงเป็นทิ่สูมาเถิดธรรมะเรากล่าวไว้ดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกขโดยชอบเธิดอันพระองค์เนี่ยไปตรัสในลักษณะว่าอา้าวเป็นทิ่สูมาเถิดก็คือที่สูหมายคำว่าผู้ขอถ้าโดยพระวินัยกรรมก็คือผู้ที่จะประพฤติตามพระวินัยบัญญัตินั่นเองอันธรรมะของพระองค์เนี่ยตรัสไว้ดีแล้ว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 ถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีนะจะเป็นอุดเฉททิฐิหรือเป็นสัตสตทิฐิง่ายมากงั้นก็ปฏิบัติเพื่อให้มันศูนย์สินี้เราก็จะคิดไปเอ๊ผ้ารหารตายแล้วศูนย์พเพราะว่าผู้ใดกล่าวว่าพผ่ารหารตายแล้วศูนย์เนี่ยนะเป็นมิจฉาทิธิด้วยนะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานของคนพูดมีความเข้าใจไม่ถูกต้องวันก่อนที่จะกล่าวในเรื่องนั้นผู้นั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องอริยสัจอย่างดี อันพระจรองคุริมานั้นก็ได้บวชสมความประสงค์ไงไหมบาทและจีวร อ, อันเป็นริษก็สำร็จขึ้นพร้อมด้วยพระดำรัตนั่นเทียวบอกว่าจงเป็นที่สูมาเถิดนะเป็นที่สูเลยก็บอกว่าไม่ต้องไปหาหมีดโกนที่ไหนมาปลองแล้วแล้วก็จะมีบริขารแปดเกิดขึ้นพร้อมสมบูรณ์ในขณะนั้นเทศครหัสของท่านอันตฐานไปสมณเพศปรากฏแล้วท่านมีบริขารแปดคือบริขารแปดนะไตรจีวร นะ้าสามผืนก็คือสบงสังคติและเครืปจีวรนี่เคร ก, รกลายจีวรและบาทมีดเข็มประคดเอวรวมเป็นแปดกับผ้ากรองน้ำนะสมควรแก่พิสุผู้ประกอบความเพียรแล้วท่านก็ได้บวชสมความปาธนาเขาบอกว่ากรรมอะไรที่ทำให้ได้ได้บริฐารแปดหรือได้บวชเป็นเอหิพิคุอุปสัมปทา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 เอากองทัพมาได้ใหญ่โตเลยอะพระเจ้าประเซนที่โกศนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพ์พิสารมิได้ทรงกระทําให้หม่อมชันขัดเครืองแม้เจ้าฤาวีเมืองเวสาลีก็มิได้ทรงทําให้หม่อมชันขัดเครืองแม่พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เราอื่นก็มิได้ทําให้หม่อมชันขัดเครืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในแว่นแคลนของหม่อมฉันมีโจรชื่อว่าองค์ุลิมาน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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ ว, ว่าพระเจ้าปเสน um ที่โกศลเนี่ยทรงกลัวหวาดวันมีพะละมรชาติชูชันแล้วก็ได้ตรัสกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าอย่า ก, กลัวเลยมหาภพิธอย่าทรงกลัวเลยมหาปพิธภัยแต่โจรองค์ุลิมา น, นี้ไม่มีแก่มหาปพิครังนั้นพระเจ้าปรเสนที่โกศลทรงระงับความกลัวความหวาดวันหรือลมมชาติชูชันแล้วได้เข้าไปหาท่านพระองค์ุลิมานถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระองค์ุลิมานว่าท่านผู้เจริญ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 ข้าพระ อ, องค์ครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบัตย่างพระนครสาวัตถีกาลังเที่ยวบินธบาตตามลําดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแกนหนะักคั้นแล้วได้มีความดั่งริว่าสัตว์ทั้งหลายเศร้ามองหนาะเห็นแล้วกรุณนาะมันเกิดขึ้นทั้งทั้ที่เมื่อก่อนเนี่ยขนาดคนขอร้องขอชีวิตโอ๊ยลูกน้อยยังอยู่ที่บ้านปล่อยไปเถอะบอกไม่ได้ต้องฆ่าอย่างเดียว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 พระองค์คุลิมานก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อาการอย่างนั้นจักเป็นอันฆ่าพระองค์กล่าวเ ท, ท็จทั้งที่รู้อยู่เป็นแน่บอกว่าตั้งแต่เกิดไม่เคยคิดฆ่า เ, า, เาเอาโกโหกแน่เหมือนองค่าร้อยเก้าสิบเก้าศพใช่ไหมเพราะข่าพระองค์แกล้งปลงศักจากชีวิตเสียเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนองค์คุลิมานถ้าอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นแล้วกล่าวกะสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิง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 ก็ว่าตั้งกระบุตมาเนี่ยไม่เคยคิดค่าเลยอ่ะไม่เคยคิดค่าด้วยสัจจะวาจานี้นะขอความสวัสดีจงมีแก่เธอด้วยเด็กในคันของเธอด้วยเะนั้นความสวัสดีก็ได้มีแก่หญิงความสวัสดีก็ได้มีแก่คันของหญิงแล้วมันก็เลยเป็นการกล่าวสัจจะวาจานี้เนี่ยช่วยในการคลอดลูกเป็นอย่างดีเ<ม>ขาบอกว่าผู้ที่คลอดลูกยาก น, นะ ถ้าหากว่าให้ให้ผู้ที่กล่าววาจาเนี่ยนะสวดตามท่านแล้วก็ทําเป็นน้ําภาปริตอันนี้หรือว่าด้วยน้ําสัจจาวาจาเนี่เนี่ยไปดื่มไปทานนะจะคลอดลูกง่ายแต่ที่รู้จักเนี่ยหลายคนเนยจะจะคลอดลูกง่ายก็บอกโอ้ท่านว่าไงบอกว่าเขาท้องอาจจะคลอดแล้วขอน้ำผ้าปริศหน่อยนอนหลายเดือนผ่านไปแล้วก็ไปก็บอกอ้ยก็คลอดง่ายอยางั้นพาเด็กมาให้ดูแล้วโอ้โหเราเห็นแล้วเสียวเลยนะ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 พระเถระไม่ได้แม้ข้าวยาครูสักกระโวยหนึ่งว่าไงพัดแม้ทับผีหนึ่งย่อมลำบากด้วยเบญทบาทเมื่อไม่ได้ภายนอกก็เข้าไปยังพระนครด้วยคิดว่าเมืองทั่วไปแก่คนทุกคนว่า้นพอเข้าไปทางประตูนั้นก็มีเหตุให้เสียงตะโกนระเบิดออกมาเป็นพันๆเสียงว่าองค์ุริมานมาแล้วองค์ุริมานมาแล้วนะเขาบอกว่าตอนหลังพระผู้มีพระภาคก็ไม่อนุญาตให้โจรมีชื่อเสียงบวช ด, ด้วยเนะ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 แต่ถ้าหากว่าใจเราไม่ค่อยมีกําลังอาศัยบุคคลภายนอกเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรจะช่วยเสริมให้เรามีกําลังศรัทธาเราอ่อนไปเอ๊ะทำไมวันนี้ศรัทธาในการเจริญกุศลไม่มีครับท่านพูดเรื่องอะายพักเดียวแค่นั้นเลยหรือวันนี้เอ๊ะทาไมสงสัยในคุณพระพุทธเจ้านะเขาเอาพุทธคุณมาพูดให้เราฟังพักเดียวแค่นั้นเ่ะเราเนี่ยเห็นด้วยเลยสงสัยในหมวดทำหมวดใดหมวดหนึ่งปั๊บเนี่ยท่านแก้ให้นิดเดียวแค่นั้น เธอตรงนี้เนี่ยเขาจึงเรียกว่าต้องเป็นบุรุษที่ควรฝึกได้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสารทีฝุดผู้ที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่ได้เอาม้ากระจอกม้ากับโผล ก, กับเพลงมาให้พระองค์นะมันจะไปทาําอะไรเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้เป็นกัลยาณมิตรที่ไม่มีกัลยาณมิตรอื่นยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคแล้วอันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะช่วยเราได้แต่ในขณะเดียวกันเราเนี่ยเป็นคนที่สมควรช่วยนะ ก็องไม่ไม่ช่วยเรียร่าดอไม่งั้นนี่ช่วยเราไปเรียบร้อยแล้วเจริญ ว, วันเพราะฉนคนทั่วไปต้องมีบุญอยู่แล้วเพราะองค์ช่วยเราได้ด้วยการเทศคําสอนฝากเอาไว้ตั้งสองพันกว่าปีนะ <c oughs> กว่าจะถึงเราได้อไปให้ตรงตร ง, ตรงไม่รู้รับหรือเปล่าเ <c oughs> มื่ตอนนั้นอนะ่ะนอะพระองค์นั้นเป็นผู้ฝึกใช่ไหมจะฝึกคนที่สมควรฝึกได้ฉะนั้นผู้ที่สมควรฝึกได้นั้นคนนั้นเนี่ยนะจะต้องเป็นหนึ่งกุคติตันยูบุคคล สองวิปปจิตันยูบบุคคลสามนัยยะบุคคลเท่านั้นแหละพระองค์จึงจะช่วยให้เขาหลุดพ้นได้ส่วนบุคคลที่เหลือฟังเอาบุญไปก่อนไม่เป็นไรอ ย, อย่าเพิ่งเสียใจนะ <c oughs> เธออาจจะบรรลุง่ายเมื่อปฏิสนธิใหม่ๆเหมืันกันแต่เป็นเทพปั๊บเนี่ยโห อ, อาจจะสังเวชใจบรรลุเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะหรือไม่ก็เทวดาเขาอาจจะมาเตือนโอ้ยเมื่อก่อนนี่ศึกษาพระธรรมเอาจริงเอาจังมาวันนี้ปล่อยใจไปกับกิเลสแล้วเลยเขาก็จะเตือนกันอาจจะได้ดีก็ได้ ทีนี้ต่อไปว่าครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองค์ุลิมานุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลขว้างไปแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองค์ุลิมานเป็นทาสทหารแล้วนะเดินบิณฑบาตเนี่ยนะเขาโยนหมากาไก่ที่ไหนก็งมาตกใส่ท่านอีกแล้เนี่ย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 ท, ทั้งที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะพระองค์ก็ยังพูดให้กำลังใจยอยู่เธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอจะพึงหมกไม่อยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากคือหลายปีมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันนี้เท่านั้นไอกรรมที่จะหมกไม่ในนรกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันให้แค่ชาตินี้เท่านั้นแหละซึ่งท่านอธิบายว่า ยะสักโโหตวังบ ร, รมณกัมมัสสวิปาเกเญณนี้ท่านกล่าวไม้เอาทิฏฐธรรมะอวทนียกรรมที่เป็นสภาขะกันจึงอยู่กรรมที่ท่านกระทํานั่นแหละย่อมยังส่วนทั้งสามให้เต็มด้วยชวนะเจ็ดดวงชวนะจิตดวงแรกเป็นกุศลหรืออกุศลก็ย่อมชื่อว่าทิฏฐธรรมะอวทธนิกรรมกรรมนั้นย่อมให้ซึ่งวิบากในอัตภาพนี้เท่านั้น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 ลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่เป็นไปนะเรียกว่าสงสารเออแล้ววัตตะเป็นอย่างไรวัตตะก็คือวัตตะส่วนใหญ่แปลว่าวนใช่ไหมวนเวียนหรือวงกลมมีสามอย่างนะวัตตะมีสามหนึ่งกรรมวัตวิปากวัดและกิเลสวัตขณะนี้มีกรรมไหม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 อุปาทานกิเลสเกิดอีกแล้วอุปาทานทําให้เกิดเจตนาอีกกวนอยู่นั่นน่ะเพราะพระองค์ุลิมาณ น, นั้นน่ะในกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะอุปชาเวทนิยกรรมกับอป ร, ราปรยาเวทนิยกรรมอันอรหัตตมักตัวกระทํากรรมให้สิ้นถอนขึ้นเสร็จแล้วกรรมดําให้วิบากดํากรรมเขาให้วิบากเขาวกรรมทั้งดําทั้งเขาให้วิบากทั้งดําทั้งเขา กรรมไม่ดำไม่ขาวคือเรียมมรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพรา ะ, ะนั้นอรหัตตมรคของพระองคุลิมานนั่นน่ะตัดกรรมเรียบร้อยเลยนะไอที่ประเภทอุปชาเวทนิยกรรมจะไม่ให้ผลต่อไปอภราปรเบียเวทนิยกรรมชาติปางไหนก็จะไม่มีโอกาสให้ผลอีกต่อไปกรรมอันนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม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 แต่คนทั่วไปแหละแม้แต่ข้าตัดตัวเดียวถ้ายังไม่ได้บรรลุมรคผลอะไรอย่าคิดว่าเขาจะปล่อยเรานะถ้ายังถ้ายังหนีไม่พ้นอ่ะนะก็บอกว่าเหมือนกับลงไปในหนองน้ำถึงมีปลิงอยู่ตัวเดียวมันก็กัดได้จนกว่าจะยืนบนบกนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าพารหันนี่ก็คือขึ้นเหมือนกับเป็นพรามก็คือขึ้นฝั่งนะอ่ะนะผู้ที่ยังอยู่ในสังสารวัตก็เหมือนกับอยู่ในกระแสนนะ้า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 หลีกรนอยู่สเสวววิมุตติสุขวิมุตติสุขในที่นี้หมายถึงเข้าพละสมาบัติเข้าอารหัตผลและจิตสืบเนื่องกันทีงหลา ย, ลายชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสเสวววิมุตติสุขตั้งกําหนดเลยนะเช่นฉันเสร็จแปดโมงเช้าออกสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยที่เหลือนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวเลยนะไม่มีผวังขั้นด้วยคิดดูว่าท่านจะมีความสุขขนาดไหนน ะ, ะแค่หลับสนิทใจใจตื่นมาก็สดชื่นแนะ่เนาะ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 ชาวนาจิตทั้งหลายเนี่ยนะหรือผวังคจิตของของคนทั่วไปเนี่ยไม่เศร้าหมองแต่ชาวนาจิตทําไมเศร้าหมองก็บอกว่าเหล็กทําไมจึงเศร้าหมองเพราะสนิมใจของเราก็เหมือนกันเพราะอาภูสนเจตสิกนั่นแหละที่เกิดร่วมกับสภาพจิตเหล่านั้นจิตเหล่านั้นก็เป็นจิตที่เศร้าหมองถ้าหากว่าจะข้อสนิมให้ออกทําไงดีสมมุติถ้าเราเป็นนายช่างทองเนี่ยนะ ได้ได้ทองมาแก้วหนึ่งขนาดนี้เลยอ่าในเนี้ยโอ้โหทั้งทั้งทองแพ้ด้วยทั้งสนิมอยู่ด้วยจะทํำยังไงออกทํายังไงนะต้องเข้าเบ้าใช่ไหมอาศัยความร้อนเนี่ยเข้าไปความร้อนที่มีมากๆเข้าเนี่ยนะถ้าความร้อนได้พอดีพวกสนิมเนี่ยมันค่อยค่อยปัดออกไปเขาบอกว่าไม่รู้มันหมดไปได้ยังไงไม่รู้ว่าเจอความร้อนแล้วพวกนั้นหายไปเหลือแต่ทองคำที่บริสุทธิ์ดุจแท่งทองชมพูนุชชันใดประมาณนั้น อะไรคือความร้อนในศาสนานี้อาตาปีอาตาปะอาตาปะเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความร้อนขึ้นความร้อนอันนี้มาไล่สนิมออกไปพั้นอาตาปะหรือสัมมาวายามะจึงเป็นหนึ่งในมรรคแปดในการขจัดปัดเป่าบาปอกุศลเั้นตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้กิเลสร้อนองค์มรรคแปดจึงมีสัมมาวายามะอยู่ด้วยถ้าร้อนมากๆถึงที่สุดนะถ้าร้อนระดับหนึ่งเนี่ย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 าเมล็ดพันธุ์มันยังมีอยู่ใช่ไหมเพรนั้นกรรมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืช อ, อ่ะอาคตะว่าปลูกพืชเช่นใดก็จะให้ผลเช่นนั้นแหละเพั้นกรรมเนี่ยจึงเป็นเหมือนพืชเพราะปลูกไปเรื่อยๆเกิดในภพแล้วภพเล่าภพแล้วภพเล่ า, ล า, ล า, ลาแต่ก็สนุกดีนะสนุกไหมเป็นพักๆอะนะแต่ส่วนใหญ่จะสนุกนะแต่วันนี้เนี่ยวันนี้ไม่สนุกเลยนั่งรถมาเนี่ขนลูกหลายครั้งแล้วกันกลัวกรรมแล้วกัน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 คนยังมีกิเลสนะสมมุติว่าคนทุกคนที่ยังยังอยู่แบบนี้นะที่เราเหงื่อไม่แตกเพราะาเรายังไม่เตอแดดนะยังไม่ได้ความร้อนเราเลยบอกว่าเหงื่อไม่แตกเห็นคนอื่นเขามีแผลเต็มตัวเนี่ยนะก็นึกอ่าเราเนี่ไม่มีแผลอย่าดีใจนะเพราะเพราะอะไรเพราะเรายังมีกายอยู่ถ้ามีอะไรมากระทบเราก็ต้องมีแผลมีเลือดออกเหมือนกันถ้าคนที่มีแผลมีเลือดเจ็บไหมเจ็บแน่นอน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 อันนั้นไม่ว่าจะเป็นขนาดเห็นก็ชาติวิบากขนาดได้ยินก็เป็นชาติวิบากหายใจเข้าได้รับกลิ่นต่างๆก็ชาติวิบากอ น, นรับกระทบเนี่ยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยนะเกิดเจ็บปวดส่วนใดหรือสบายส่วนใดก็ตามนั่นก็คือจิตชาติวิบากวิบากเหล่านี้นะจิตวิญญาณเหล่านี้เกิดเพราะอะไรวิญญาณเนี่ยนะอาศัยวัตถุ ค, คือกายอารมณ์คือโพธะะ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 แต่ของเราให้รู้ว่าคําสอนกล่าวว่าจิตชาติวิบากเป็นผลของกับถ้าวิบากที่ได้รับเนี่ยเสียงที่ดีเป็นกุศลวิบากเ อ, อแค่นี้เราก็ได้ดีพอระดับหนึ่งแล้วล่ะเชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิระดับหนึ่งแล้วอันสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรตมีองค์แปดพรหมจรรย์ก็คืออริยมรตประกอบไปด้วยองค์แปดนั่นเองอันสัมมาทิฏฐินั้นจึงมีความสําคัญมากเพียงเราตึกเท่านั้นนะก็ก็ชื่อว่า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 ทําไมองค์มรรคแปดจึงเรียงตามลําดับแบบนั้นก็บอกว่าบุคคลเมื่อเห็นอย่างไรไอเห็นในที่นี้หมายถึงความเห็นน่ะนะตัวทิฏฐิไม่ใช่จากครูเห็นถ้าเขามีทิฏฐิอย่างใด<ม>เขาก็จะคิดตามนั้นอันพระองค์ก็เลยเรียงสัมมาสังกัปปะต่อจากสัมมาทิฏฐิก็จะคิดตามที่เข้าใจทิฏฐิก็คือความเข้าใจก็ได้เข้าใจวันนี้เป็นกรรมและผลของกรรมปับ๊บคิดเรื่องนี้บ่อยๆนั่นเป็นสัมมาสังกัปปะคนเมื่อมีความเข้าใจเรื่องนี้บ่อยเข้าคิดแล้วจะพูด พระ อ, องค์ก็เลยเรียงสัมมาวาจาต่อมาคนเมื่อพูดยังไงแล้วก็จะทำไปตามนั้นอันนั้นเป็นสัมมากรรมันตะอาศัยพื้นฐานข้างบนดีขึ้นระดับหนึ่งสัมมาอาชีพจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นพระองค์ก็เรียงสัมมาอาชีวะต่อไปทีนี้คนที่มีสัมมาอาชีวะถ้าขาดความเพียรไม่มีผลมากพระ อ, องค์ก็เลยเรียงสัมมาวายามะต่อมาในความสาคัญของของความเพียรพยายาม ันั้นความเพียรพยายามไม่ได้ทําด้วยความประมาท ต, ต้องทําด้วยความไม่ประมาทอันนั้นเป็นสัมมาส ต, สติแต่ไม่ได้ทําด้วยจิตที่ฟุง้งซ่านแต่ที่สำคัญมากถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีสัมมาวาจาระดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิเกิดยากนะถ้าไม่มีสัมมากัมมันตะระดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิก็เกิดยาก ปกติเป็นคนที่พูดความชั่วในปากเนี่ยสมบูรณ์โกหกก็เต็มไปหมดเลยสอเสียดที่เรียกว่าสอเสียดคืคือประเภทนินทาว่าร้ายนะอันนั้นคือสอเสียดก็เต็มไปหมดเลยแล้วพฤ้สวาจาเนี่ยพูดใครคําด่าคำหนึ่งนะพูดคําตําหนิคําอ่ะพวกนี้เป็นลักษณะของวาจายากแล้วเรื่องที่พูดไม่เกิดประโยชน์สักอย่างหนึ่งส ม, มาทิฏฐิเกิดได้ง่ายไหมกุศลจิตเกิดแทรกยากอสัมมาทิฏี่นั้นต้องเป็นกุศลที่เป็นญาณสัมปยุต อันกุศลอาณสัมประยุทธ์นั้นถ้ารักษาวาจาไม่ดีระดับหนึ่งกุศลชนิดนี้เกิดไม่ได้เกิดก็เกิดยากเต็มทีเลยนะแทบจะกล่อมเหมือนกับปลูกข้าวผิดที่ผิดฤดูกาลอะ่ะแสดงว่าเรื่องการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้มันเป็นการปรุงแต่งที่มีหลายหลายเหตุหลายปัจจัยนะเขา<ช>มาช่วยกันปรุงแต่งแล้วสุดมันกจะช่วยกันด้วยนะเป็นอัญญาัรญยัปปัจจัยไหมครับส่วนใหญ่การเจริญกุศลธรรมนั้นเป็นประเภทปกตูปะ ตะกูลอุปนิสัยปัจจัยแต่ในขณะที่เขาเกิดขึ้นเป็นอัญยะขณะนั้นๆเนี่ยเป็นอัญยะแก่กันแต่ในการเจริญกุศลนั้นขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งการเจริญและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นปัจจเป็นลักษณะของปกตูปะก็เหมือนกับอะไรนะพระสมบัติกับเด็กชายสมบัติคนเดียวกันไหมก็คนเดียวกันก็ใช่ไม่ใช่ก็ใช่แต่ว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อเอาไงเออถ้าคนเดียวกันทําไมไม่เหมือนกันว่ะ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 วิธีใหม่อีกโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งวิธีใหม่อีกโตขึ้นเดี๋ยวปีนี้โตเท่านี้ปีหน้าโตขึ้นเลยระดับสติปัญญาก็พัฒนา ม, มากขึ้นมากขึ้นลักษณะนี้เรียกว่าปะกระตูปนิสยปัจจัยการเจริญกุศลเจริญมรรคมีองค์แปดนั้นเจริญเอาอุปนิสัยเพื่ออาาตริยมรรคต่อไปไม่ใช่เจริญเอาผลคือไม่ใช่เจริญนา น, านักขาดขณิกตรรมเพื่อต้องการมิบากแต่ต้องการอุปนิสัยที่ดีมากขึ้น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 แต่ถ้าไม่คิดว่าเป็นสาระนะถ้าเกิดขึ้นปั๊บเฮ้ยอย่ามาคิดเลยเสร็จแล้วนะต่อไปจิตมันก็เชื่อฟังเหมือนกันนะมันอุปนิสัยตัวหลังมันเข้าไปตัดชั้วไปปะมันก็ไม่ค่อยคิดแล้วถ้าบอกว่าความคิดบางอย่างเหมือนสลัดได้อะมันสลัดจะให้คิดต่อก็ได้จะไม่ให้คิดต่อก็ได้สมมติในโยมพุกการเนี่ยจะคิดให้มันเป็นงานไปตลอดนะถ้าดึงเออสาคัญมากนะถ้าใส่ใจสักสามสี่ครั้งนะสําคัญมากเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องนี้เสร็จแล้วนะจิตมันจะคิดเรื่องนั้นเลย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 แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนยากก็ไม่เป็นไรเอาเรื่องกรรมมาคิดมากๆถ้ายังยินดีในโทสะก็บอกเขาหน่อยนะแนะนําจิตเขาหน่อยจิตเอ้ยถ้าแกมีโทสะมากๆนะเวลาทุกข์ให้ผลต่อไปก็อย่าบ่นนะอกุศลไม่ให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ทุกข์ก็อย่าเสียใจนะ ก, ก็ตอนนี้ก็ทําเหตุอยู่แล้วใช่ไหมผลถ้าเรา ค่อยๆแนะนำเขานะจิตบางทีมันก็เหมือนกับเด็กๆนั่นแหละถ้าพูดกับเขาดีๆก็ยอมเหมือนกันนะค่อยๆตะล่อมเขานะเดี๋ยวก็ได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าช่างสอนย่อมดัดสอนทาวนาย่อมไขน้ำช่างถากย่อมถากเกวียนถากไม้เพื่อทำเกวียนบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนพระองค์ตรัสไวยเองเลยในคาถาธรรมบท ถ้าผู้มีประภาคนั้นเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าดังนั้นคําสอนทั้งหมดเนี่ยคําสอนเพื่อฝึกแต่ถ้าเราศึกษาคําสอนแล้วยังเหมือนเดิมสแสดงว่าเราขังมากต่อไปนะท่านพระองค์ุลิมาลกล่าวต่อไปว่าผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างหลุดพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นท่านพูดดีท่านบอกว่า ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วก็คืออากุศลเนี่ยเกิดมากคล้ายๆกับท่านหนนะ่ยนะย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลอกุศลเนี่ยมาเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นอย่าลืมนะกุศลมีเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดดวงเนาะกุศลโดยจิตมีอยู่ยี่สิบเอ็ดดวงยี่สิบเอ็ดประเภทเจตสิกที่ประกอบสามสิบแปดเจตสิกสามารถประกอบได้สามสิบแปดดวง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 ตาเหลืองนี่ก็เต็มทีแล้วนะเหลืองเลยมีใครกล้าสอบตาตะคนหนึ่งอะนะก็สมัครงานจนไม่มีใครรับอ่ะไปสมัครเป็นโจรอ่ะหน้าโจรก็บอกรับไม่ได้ดูหน้านะดูหัวจอดเท้าเลยบอกไอ้นี้ใจมันเกินร้อยแน่นอนคนหน้าตาสีหน้าแบบเนี้ยเข่าแดงด้วยตาเหลืองเหลืองเข่าแดงเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะกินนมแม่เสร็จแล้วสามารถเอาดาบตัดได้เลยใจเขาขนาดนะ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 ไม่มีใครทำได้ไปจนถึงคนสุดท้ายบอกโอ้เรื่องแค่นี้เองวันเดียวนี่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าฉับไปขอหลุดหมดทีนี้วันหลังจับโจรได้อีกเนียทำยังไงดิเออเขาไปเรียกไอคนเมื่อวานนี่มาตัดอีกห้าร้อยเอกแค่นี้สี่วันอ่ะตัดไปสองพันเกือบสองพันที่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ตัดวันละคนสองคนเนี่ยตามธรรมเนียมเนี่ยนะอยู่ประมาณห้าสิบห้าปีคูณก็ไวนะจะ ก, กี่ศพดิ โอมากมายภหาสารเลยนะโอ้ถ้าเป็นเราเนอะจำมันนั้นเนี่ยทีนี้วันหนึ่งพอตอนหลังเนี่ยหมดแรงฟันไปฉับหนึ่งคอไม่ขาดเลยต้องฉับที่สองยิงคอจะหลุดสงสารโจรมันปลดมันเถอะก็เลยปลดทีนี้ในช่วงที่เป็นเพชรฆาตเนี่ยนะก็ไม่เคยใช้ผ้าใหม่เลยไม่เคยทานข้าวปลายาติเลยนี่ก็ทำไงก็สั่งภรรยาว่าเออทาข้าวปลายาเตรียมผ้าใหม่นะฉันจะใส่ผ้าใหม่ พอไปอาบน้ําระหว่างทางเห็นภาษาดิบุตรก็เลยนิมนต์ไปฉันนิมนต์ไปฉันทีนี้พอจะฉันภาษาริบุตรจะแสดงธรรมให้ฟังเขาเนี่ยเดือดร้อนใจมากเลยเราก็ทําบาปมาทั้งเยอะแยะเลยนะยืนฟังธรรมไปภาษาริบุตรท่านก็ถามนี่ที่ข้าเนี่ยข้าเองหรือว่ามีคนใช้ให้ข้าก็บอกมีคนใช้ให้ข้าเออแล้วบาปไปอยู่ที่ใครออบาปมันต้องอยู่ที่คนใช้สิคนนึกว่าเออบาปนี้จะต้องอยู่ที่คนฟังอ่ะ แต่ก็เลยสบายใจเลยนะพอสบายใจปับ๊บภาษาดิบด์แสดงทำได้อนุโลมมายาณฟังธทำแล้วคี้ตามทำได้อนุโลมมายาณพอได้อนุโลมมายาณแล้วก็ภาษาดิบด์ก็จบธรรมเทตนาไปจะฆ่าตามไปส่งภาษาดิบุตรระหว่างทางวัวตัวหนึ่งก็ขิดตายเกิดที่ไหนดีเกิดที่ดาวบดิมตรงนี้ไงท้าองค์ุลิมานก็เลยบอกว่าผู้ใดทํากรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศล ผู้นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นภิกษุใดเลยังเป็นหนุ่มย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างโดยพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังธรรมคาถาเถิดอยากให้ศัตรูที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทคือข่าหนึ่งคนเนี่ยในคนหนึ่งคนเนี่ยเขามีญาติหม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 ก็คือท่านเนี่ยมีเมตตาใช่ไหมเจริญเมตตาอยากให้ศัตรูอะไรเนี่ยมีความเจริญงอกงามเป็นการเจริญเมตตาอย่างหนึ่งเหมือนกันของท่านขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติความสารเสริญคือเมตตาเธอขอจงฟังธรรมะตามการปรารถนาต่อศัตรูนะถ้อยคําเหล่านี้ <c oughs> เป็นคําเจริญเมตตาอีกอย่า ง, างหนึ่งเหมือนกันคือปรารถนาอยากให้เขามีความเจริญงอกงามในธรรม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 ความสงบในที่นี้หมายถึงพระนิพพานอันท่านเข้าถึงพระนิพพานจริงๆแล้วท่านจึงรักษาไว้ซึ่งสัตว์ที่สะดุ้งและมั่นคงก็คือท่านมีจิตที่เป็นเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อสัตถถว์ทุ่นหน้าคนทดน้ําย่อมชักน้ําไปได้ช่างสอนย่อมดัดลูกศรได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะ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 อันบันดิตทั้งหลายเขาฝึกตนผู้ที่เจริญวิริยะสังวรพัานพวกนี้จะสังวรที่จะละบาปละอกุศลและพยายามที่จะให้กุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นมากๆนี่เรียกว่ามีวิริยะสังวรหรือสั ม, มปทานสิแต่เขาบอกโอ้ปล่อยๆมันไปเถอะมันมีปัจจัยแล้วมันก็เกิดเออมันได้ปัจจัยแล้วมันก็จะตกนรกเหมือนการ <c oughs> ต, ต่ออีกคำหนึ่งคนบางพวกย่อมฝึกสัต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 เรากระทำกรรมที่ทำให้ถึงทุกคติเช่นนั้นไว้มากอันวิบากของกรรมถูกต้องแล้วก็คือเวลาไปบินธบาทใช่ไหมบาทเนี่ยแตกเลยอ่ะนะแต่บตศนี้ท่านก็เป็นผู้ไม่มีหนี้เป็นผู้ที่ไม่มีหนี้บริโภคโภชนะการบริโภคมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งเป็นทยะบริโภคบริโภคอย่างโจรขโมยสองเป็น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 ตามซึ่งความประมาทผู้ที่กุศลจิตไม่เกิดเนี่ยคนนั้นแหละชื่อว่าคนประมาทแล้วส่วนนักป่าทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไวเหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นตามรักษาสติตามเจริญกุศลเหมือนคนรักษาทรัพย์ท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชิดชมด้วยสามารถความยินดีในกามอย่าปล่อยจิต ให้เป็นกิเลสกรรมอย่าไปผูกพันกับวัตถุ ก, กรรมอย่าไปปล่อยจิตให้ไหลหไปกับกรรมเหล่านั้นเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่เพ่งมีกี่อย่างเพ่งมีสองอย่างก็คือเพ่งลักษณะกับเพ่งอารมณ์ลัคนูปนิสชานกับอารัมมานูปนิสชาญเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพ่บูรการที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้เป็นการมาดีแล้ว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 บอกรู้กลางวันให้ไปกลางวันรู้ ก, กลางคืนให้ไปกลางคืนทำไมรีบหนีไปเปลยแสดงว่าวิบัติแล้วตรงนั้นในในสูตรนี่ว่าอย่างนั้นเลยนะลักษณะถ้ารู้แล้วก็ให้หลีกเลี่ยงประเทศใดที่เกี่ยวข้องแล้วกุศลไม่เจริญบุคคลใดเกี่ยวข้องแล้วกุศลไม่เจริญหรือว่าพอพอเราศึกษาพาระธรรมอย่างนี้เราจะรู้แล้วอะไรคือกุศลใช่ไหมการตรึกเรื่องราวเหล่านี้มากๆเป็นกุศลถ้าเกี่ยวข้องกับใครแล้วเอ๊ะคิดเรื่องนี้น้อยไปหน่อยนะ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 พระองค์เนี่ยประทับอยู่ที่เมืองราชครือกพิสุจากเมืองราชครืกไปหาพระสารีบุตรก็ใายถามถึงถ้าผู้มีพระภาคก่อนพิสุนั้นกล่าวเปลี่ยนว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงพระประชวรและยังทรงพระกําลังอยู่ท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรก็กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็พิกสุสง์ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่หรือพิสุรูปนั้นก็ตอบว่าภิกสุสงก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่ท่านผู้มีอายุ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 พระที่มีพรรษามากพูดกับพระผู้มีพรรษาน้อยใช้คําว่าอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุผู้มีอายุเนี่ยไม่ได้แปลว่าแกกว่านะแต่ว่าเป็น ค, คําค่ะให้เกียรติหน่อยนะท่านภาษาริบุตรก็เลยถามต่อไปว่าแม้ธ น, น, นัญชาญิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่หรือก็อถามถึงโยมคนหนึ่งอนะซึ่งเคยเสนิทกันมากเหมือนกันที่สุรุมนั้นก็ตอบว่าแม้ธนัญชานิพราหม์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกําลังอยู่ท่านผู้มีอายุ แล้วก็ถามต่อไปว่าเออท่านผู้มีอายุทนัญชานิพราหมณ์ยังเป็นผู้ไม่ประมาหรือเขาเป็นยังไงเขาประมาทหรือเปล่าทุกวันเนี่ยพิสุรูปนั้นก็ตอบว่าที่ไหนได้ท่านผู้มีอายุวังธนัญชานิพราหมของเราจะไม่ประมาทเพราะเขาอาศัยพระราชาก็คือแปลว่าที่ไหนได้ผู้มีอายุธนัญชานีพราหมจะไม่ประมาทวังนั้นตอนนี้เขาประมาทมาก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 เขานี้เป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีาก่อนว่พระราชาบอกอ้าวด้เวลาไปเก็บภาคหลวงนาแล้วเก็บพวกภาษีต่างๆนะที่นาเก็บข้าวเปลือกอย่างเงี้ยพอไปถึงปับ๊บบอกว่าปีนี้หลวงมีความจําเป็นต้องการของเพิ่มเหมือนเรียกว่าจะรีบรัพย์เพิ่มเยอะขึ้นนะนะทีนี้พอมาถึงปับ๊บแบ่งเข้าบ้านเหลือไปเข้าวังหน่อยนึงก็บอกปีนี้ฝนไม่ดีพระเจ้าค่ะ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 ถ้าหาว่ามีคนที่คอยขวางอยู่ตลอดเนี่ยการเจริญกุศลก็ค่อนข้างยากท่านพระสารีบุตรก็เลยกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเราได้ฟังว่าทานัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นการได้ฟังชั่วหนาะทำไงเราจะพึงได้พบกับทนัญชานิพราหมณ์บางครั้งบางคราวทำไนจะได้พึงเจรจาปราศัยการสักข้อน้อยหนึ่งทำยังไงนะจะได้มีโอกาสคุยกับเขาสัหน่อยไง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 สมัยนั้นธนัญชานิพราหมณ์ใช้คนให้รีดนมโคอยู่ที่คอคโคภายนอกพระนครท่านพระสารีบุตรก็เที่ยวบินธบุรไปในนครราชเครือภายหลังพัดกลับจากบินธบุรแล้วก็เข้าไปหาธนัญชานิพราหม์ถึงที่อยู่ธนัญชานิพราหมณ์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรกําลังมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรและได้กล่าวว่านิมนต์ดื่มน้ํานมสดทางนี้เถิดท่านพระสารีบุตรท่านยังมีเวลาฉันอาหารหังไง มนชันนมสดก่อนสารีบุตรก็กล่าวว่าอย่าเลยพราหมณ์วันนี้อาตมาทําพัฒกิจเสร็จแล้วจากพักกลางวันที่โคนต้นไม้นูน้นก<อ>็บอกฉันเทียบเราแล้วจะไปพักที่โน่นนะเพราะฉะนั้นท่านพึงมาในที่นั้นจะไปคุยกันหน่อยเหมือนกันทนา น, านิพราหมณ์ก็รับคําท่านพระสารีบุตรแล้วครั้งนั้นทนา น, านิพราหมณ์บริโภคอาหารเวลาเช้าเสร็จแล้วได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรได้ปราศัยกับท่านพระ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 เขาจะพึงได้ตามความปรารถนาหรือว่าเราเป็นผู้ไม่ประพฤติ ช, ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาขอนายนิรยาบาลอย่าพึ่งฉุดฆ่าเราไปนรกเลยโอ้ยที่ไปทําบาปทํากรรมมากับพราะพ่อพ่ อ, พอแม่แล้วทาไมทําพ่อแม่ก็ไม่มีกินอย่างเงี้ยนะนานิรยาบาลเขาฟังเราไหมหรือว่าพ่อแม่ของผู้นั้นนะ่ะนะพ่อแม่ไปช่วยอ้อนวอนนาย น, นิรยาบาลว่า บิดามารดาของผู้นั้นจะพึงได้ตามความปรารถนาว่าผู้นี้พึงเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งเราข อ, อนายนิรยาบาลอย่าพึ่งฉุดคร่าเขาไปในโรกเลยแบบนั้นเขาทำพ่อแม่นะแบบนั้นสงเคราะห์เขาหน่อยพอนพอนหน่อยได้ไหมหรือว่อย่าไปให้บาปเลยถ้าเป็นเรานี่ตอบว่าไงธนัญชานีก็บอกไม่เป็นอย่างนั้นท่านภาษาเรเบร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 ทนน้อยนะมันอย่าเอาไปนรกลึกๆเลยอย่างเงี้ยทำได้ไหมไม่เช่นนั้นท่านภาษารีบุตรที่แท้ถึงผู้นั้นจะขําครวนมากมายนายนรยยบาลก็จะพึงโยนลงในนรกจนได้ที่เอาสูตรนี้มากล่าวเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนก็ตามทุกคนก็จะมีเหตุผลที่ตัวเองจะหมกมุ่นอยู่กับบาปกับอกุศลตลอดทุกคนก็จะให้เหตุผลว่ามีเหตุผลนะที่ฉันทาชั่วเขามีเหตุผลหมดเลย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 ขณะนั้นเห็นปุ๊บคิดจะให้นี่เป็นลักษณะของฐานกุศลถ้าเป็นศีลกุศลก็อาจจะให้เหมือนกันแต่ให้ปลารคในลนักษณะบรรพบุรุษอย่างเงี้ยเป็นลักษณะว่าเป็นประเพณีของเราที่ที่เราเคยทํามาภแมิปุญญาตายายตั้งไว้แบบนี้เราต้องทําตามแบบเนี้ยก็เอาไปบูชาอย่างเงี้ยก็เป็นศีลกุศลหรือถ้าหากว่าเป็นภาวนากุศลก็บอกว่าดอกไม้เนี่ยที่มันสดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ํา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 เหมือนกับคนที่อยู่กับโรงยานะได้แต่กลิ่นยาแต่ว่าไม่ได้กินยาเลยเจนพานก็คืออโยนิโสมรณาการไม่เป็นก็คือเขาพูดบอกว่าเอาพระธรรมไม่ใช่ไม่เป็นจนพานไม่มีโยนิโสก็คือไม่รู้จักใช้พระธรรมที่ศึกษามานั่นเองเพันโยนิโสอาศายัยอาหารคือการฟังพระสัจธรรมเป็นต้นนั่นเองอันท่าฟังธรรมแล้วเอ้ยฟังเมื่อสิบวันก่อนเสร็จแล้วอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเองกุศลโผล่ขึ้นมาเอง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 ชนะื่น<อ>ชม ท, ทั้งโน้นโอ้ยงามจริงๆเลยดอกไม้อันนี้นะนี่ไม่ใช่มัชิมาอันนี้ไม่ใช่มัชิม า, นนมมมาแต่ถ้าเป็นอาตาบอกเห็นแล้วกิเลสมันเกิดต้องลับตาแกรงไว้บีบตาให้มันแน่นอย่าไปคิดถึงมันคือคือในลักษณะที่ไปกดทำให้ ว, ว, าาใหวิบากและกรรมชโรุมันทรมานให้อกุสระวิบากมันเกิดขึ้นใช่ไหมสมมติถ้ามองเห็นดอกไม้ปั๊บนี่เอาอะไรมาขู่ตาเลย มันเจ็บให้มันปวดจะเป็ต้นใจมันลักษณะนั้นเป็นลักษณะของอัตากิรัสมาฐานุโยกสมัยพุทธกาลนี่นะฮะที่เขาสแสวงหาความบริสุทธิ์แบบนั้นมีอยู่มีจออย่างเช่ น, นในสำนักของชดินสามพี่น้องเนี่ยเขาสอนลูกศิษย์เขาถ้าใครมีกามวิตกไปขนทรายไปขนทรายมากองเสร็จแล้วก็ไปอาบน้าอาบน้าเสร็จแล้วมาผิงไฟ ใครมีพยาบาทที่ตกก็ทําแบบนี้โอ้ยสายเนี่ยกองพเนนพเนนทึกเลยเพราะทุกคนเนี่ยจะต้องขึ้นไปขนสายทรมานอะ่ะไม่ให้จิตมันเป็นแบบนั้น อ, ะอ่ะบางคนนะขอถ่ายเขาบอกว่าถ้ากิเลสเกิดแบบลักษณะกิเลสแบบจะหยาบเกิดนะเขาบอกว่าหาอะไรมาถ่วงหาอะไรมามาแบบเป็นหนักๆหน่อยมาถ่วงอะ่ะคิดว่าจะได้ลดกิเลสไอ้พวกนั้นเป็นลักษณะของอัตตะกิลามัฐานุโย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 มันต้องเอาให้ครบสูตรสูตรว่าไว้อย่างไรคือที่เจริญไม่ได้เนี่ยส่วนต้นเลยก็คือไม่ได้ตำหนินะเพียงแต่ว่าหนึ่งทำมังสารนังค้าฉามีเราอ่อนไปที่ว่าทำมังสารนังค้าฉามีเนี่ยอ่อนเพราะว่าเราจําไม่ได้เลยว่าพระธรรมเรากล่าวไว้อย่างไงม้างก็เหมือนกับที่นึกถึงว่ายมพ่อกรใช้ให้ไปซื้อของเงี้ยเราก็เดินเล่นไปซื้ออะไรวะเนี่ยเดินเล่นไปครึ่งทางแล้วนะได้เกือบกิโลหนึ่งแล้วอ่ะ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 ถ้าคิดให้เป็นกุศลอก็คิดเอาดอกไม้ไปบูชาพราะซะก็ได้บุญแล้วถ้าคิดอย่างงี้มันก็มันก็ไม่ยากใช่ไหมอันนั่นเป็นคิดเรียกว่าอันนี้ไม่ต้องศึกษามากนักหรอกจนพอแต่เป็นกุศลที่เป็นไปายประเภทวาะตะถึงบอกโออเอาดอกไม้ไปบูชาพระแล้วตั้งความปรารถนาว่าอุ้ยสาธุอนาคตการขอให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงพระธรรมคำนนําสอนังเอตั้งความปรารถนาเสร็จแล้วก็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 ต้องใช้คําว่าจําเลยแหละเพราะสาวกใช่ไหมสาวก ค, คือผู้ฟังฟังแล้วจาไม่ได้เขาจะเรียกคนฟังไหมเพราะั้นเรื่องความจําเนี่มีมีความสําคัญค่อนข้างมากคือถ้าหากว่าเห็นเป็นสาระจริงๆเดี๋ยวก็จําได้คือถ้าหากว่าเรานับถือพระธรรมเป็นสารณะจริงๆแล้วเราก็จะค่อยๆจำแล้วจําปั๊บเราจะความรู้อันนี้จะเริ่มเป็นของเรามากขึ้นเป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนี้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 สังขาร น, นั้นเนี่ยถูกปรุงอย่างมากมายจึงจะจึงจะเกิดขึ้นได้อันสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเกิดขึ้นนะถ้าอาหารไหนที่ปรุงอร่อยราคาแพงถ้าปรุงห่วยที่ถูกทไ่สุดถ้าบูดแล้วก็ถูกมากขนาดอาหารเนี่ยยังราคาแพงในกุศลแลจิตก็เหมือนกันแม้แต่เพชรเนี่ยก็ถูกปรุงแต่งนะมา ก, ก่อนจะไปเพนเพชรขนาดนั้นถ้าเพชรใหญ่มากดีมากก็แพงมากถ้ากรวดนี่ก็ถูกแต่ก็มีราคานะแต่ก็ถูกหน่อย ชาแนกุศลจิตก็เหมือนกันถ้ากุศลชั้นสูงเลยเนี่ยจะต้องราคาของเขาจะต้องมากกุศลเหล่านี้จะต้องมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างมากอันท้าถ้าพูดอีกในหนึ่งนะถ้ากุศลแจิตเหล่านี้เนี่ยกุศลธรรมดาต้องเกิดเป็นสักแสนโกดครั้งอริยมรรคจึงจะเกิดได้เนี่ยเราพิจารณาวนละครั้งสอครั้งเนี่ยโอ้โเมื่อไหรนะ่นั้นทีนี้พูดอีกในหนึ่งบางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรชั้นจะไปปฏิบัติเอาชาติหน้า ไอชาติเทีว่านี่มันชาติไหนแน่ใจนะว่าจะมีคาสอนใ ห, ใ, หให้ได้คิดแบบนี้อีกเพราะจะมีคาสอนเรื่องอริยศาสตร์ได้นั้นต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้วเราแน่ใจขนาดไหนว่าเราจะต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าแล้วได้มาเจริญกุศลประเภทรืออริยศาสตร์อีก <c oughs> <c oughs> แค่ชาตินี้เราก็ดูตัวอย่างดูสิห่างทั้งสองพันกว่าปีแล้วอ่ะ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 อายตนะภายนอกที่เหลือกล่าวภายในหมดเลยภายไปในตัวเราหมดเลยอย่างเช่นภาษาภาษาเนี่ยนะภาษาทางหูจะเป็นยังไงภาษานี้เกิดจากอะไรก่อนภาษาเกิดจากความประชุมของธรรมะสามอย่างหูเสียงโสตะวิญญาณภาษาจึงเกิดอันที่เราได้ยินเสียงแต่ละคําที่เรียกว่าภาษะนั่นอ่ะอาศัยองค์ประชุมเนะี่ยอันเราค่องข้างตรึกบ่อยๆลักษณะธาตุก็ได้หูมันก็ไม่รู้ว่า รับเสียงเสียงก็ไม่รู้ว่าหูได้ยินตรึกแบบนี้บ่อยๆเข้านะจิตได้ยินเสียงมันก็ไม่ยากเสร็จแล้วสามอย่างแต่ละคําปั๊บนั่นคือผัษาเพราะภาษาปับ๊บเวทนาเวทนาก็ทําให้เกิดแล้วแต่เสียงนั้นเป็นเสียงอะไรอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเรามีโยนิโสมนาสิกาใส่ใจในพระธรรมแบบนี้เพ่งแบบนี้ขณะที่ได้ยินเสียงนั้นจิตเป็นกุศลเพราะเป็นกุศลที่เริ่มมาวิจัยความเป็นไปของสิ่งเหล่านี้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 กรรมสักกาสัมมาทิฏฐิสองวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสามฌานสัมมาทิฏฐิสี่มคสัมมาทิฏฐิห้าผลสัมมาทิฏฐิบางบางแห่งกล่าวไว้เป็นเรียกว่าปัจเจเวคขณะยานด้วยปัจเจเวคขณะสัมมาทิฏฐิด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่พบก็คือห้าแห่งอันมีความสําคัญมากสัมมาทิฏฐินั้นสัมมาทิฏฐินั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่พยาบาทมากสัมมาทิฏฐิก็เกิดยาก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 ถ้าหากว่าในสังสารวัตอันยาวเนี่ยนะไม่มีกรรมใดที่บุคคลไม่เคยทําเว้นมรรคะกรรมเว้นมะะรรคกรก็คือเว้นอริยมรรคอ ะ, ะประกอบด้วยองค์แปดในขณะมรรคจิตที่เหลือเนี่ยทําเกือบหมดแล้วทั้งดีทั้งชั่วคือขณะที่เราอยู่ธรรมดาเราเองเนี่ยอุปนิสัยของเราเราอาจจะทําดีน้อยมากแต่เราไปเกี่ยวข้องกับบางคนเราทําดีได้พอห่างคนนั้นอีกเอาใหมอ่อีกก็วันก่อนที่พูดถึงธนัญชานิษฐ์ใช่ไหม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 ถ้าบุคคลใดมีอัตตสัมมาปณิที่ดีถึงจะไปอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็ขวนขวายที่จะเจริญกุศลอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าคนมีอัตตาสัมมาปณิที่แต่ส่วนใหญ่แล้วขึ้นต้นด้วยปฏิรูประเทศวาสะกุศลทั่วไปหนึ่งต้องอยู่ในปฏิรูประเทศจึงจะเจริญกุศลได้ง่ายเข้าไปในสนามมวยดูสิกุศลเกิดง่ายไหม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 อันโสตาปฏิยังคธรรมรนเนี่ยสปรปกรเนี่ยจึงเห็นว่ากุศลจิต ท, ที่จะพัฒนาได้นานหรือไม่นานก็อยู่ที่โสตาปฏิยังคธรรมอันดับต้นก็คือปฏิรูประเทศวาสักถ้าใครศึกษาธรรมะแล้วใช้ชีวิตอยู่ในหลายๆแห่งเนี่ยจะรู้ดีความสำคัญของปฏิรูประเทศอยู่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยโอโกุศลจิตเนี่ยเกิดยากจริงๆแทบจะขอร้องบนบานก็ยังยากเลยอ่ะ ก็เหมือนที่เล่าว่ากลับไปที่บ้านเมื่อไหร่นะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านไม่ถึงสิบหน้าเลยอู้ <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้พระไตรปิฎกผมมีอะไรก็มีจะได้กุศลบ้างก็ต่อเมื่อแสดงทําให้เขาฟังเออตรงนี้พอได้กุศลและจิตจะเกิดต่อเนื่องเลยบ้างแต่ถ้าอ่านเองเนี่ยยังไงไปอีกแห่งหนึ่งเนี่ยเราอ่านปุ๊บนะเกิดปีติเกิ ด, กดความสุขสบายใจมากเลยนะอยากอ่านเห็นคุณค่าเหลือเกินนู้พระธรรมเนี่ยดีเหลือเกินแต่ไปอีกแห่งหนึ่งไม่ได้อย่างนั้นหรอก เมื่อไหร่จะหมดวันสักทีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อไหร่จะได้กลับสักทีเนี่ยได้ไม่แบบนั้นไปบางแห่งเนี่ยอ๊ยขอให้เราได้อยู่ที่นี่อีกนานๆนะทํำยังไงนะจะอยู่อย่างนั้นนานๆได้มีชีวิตอยู่แบบนี้อีกระยะหนึ่งเถอะนะคงได้ดีอีกแน่นอนเลยาง้ันถ้าศึกษาชีวิตคุณภาพจิตสุขภาพจิตเราจะรู้แบบนั้นว่าอิทธิพลของปฏิรูปประเทศนี่มีสูงมากอันดับที่สองก็สัพปุริสูสังเสวะการคบสัตบุรุษเนี่ยนะ นี่มีความสําคัญมากคนที่เราเกี่ยวข้องเจอหน้าอีกคนหนึ่งปั๊บเมตตาเกิดแล้แค่นึกถึง้เฉยๆเนี่ยเมตตาเกิดล่ะใช่ไหมคนดีๆเนี่ยเรานึกถึงเมื่อไหร่ปั๊บปุ๊บกุศลจิตเนี่ยเกิดเลยนะนึกเขาเมื่อไหร่แล้วสบายใจแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหร่นี่ออืมาทําไมวะเนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะอีกคนหนึ่งโผล่หน้ามาทางความคิดเมื่อไหร่ปั๊บไอ้กา ม, มาวิตตกเกิดขึ้น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 คนก็นกําลังซัดเอาชักปืนออกมายิงกันเปรี้ยงป้างเปรียปร้ยงปางเนี่ ย, ย, ยโอ้ยยังเป็นกุศลจิตอยู่เลยเนะี่ยแสดงวันแน่มาะส่วนใหญ่เนี่ยวูบเลยนะสเสมมติเห็นรถชนกันปุ๊บนะเรายังสุขภาพจิตเราเหมือนเดิมเลยกุศลจิตยังเจริญสืบเนื่องเป็นได้ไหมถ้าฝึกจริงๆก็เป็นได้แต่ก็ค่อนข้างยากเรื่องที่เราฟังเนี่ยมีความสําคัญมากเรียกว่าการฟังแล้วสุดท้ายโยนิโสมนัสิการหรืออัตตะสัมมาปนิธิเราตั้งอะไรไว้ในใจของเรามาก สมมติถ้าหากว่าคนที่ที่ตั้งใจจะรักษาศีลเลยนะข้อไม่ฆ่าปักเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะมันแทบไม่คิดเลยตอบทันทีเลยมาเธอจะตอบให้มันคนเนี่ยเกณนอย่างนั้นเลยนะมันมันคุ้นเลยแต่พอสมาทานปั๊บนะพอคิดจะตอบปั๊บเนี่ยอุปนิสัยที่สมาทานนี่มาลแล้ยสารศีลมานะเราะมีมีอุบาสกอยู่คนหนึ่งเขาสมาทานศีลกับพระเสร็จแล้วก็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 โดยเดชแห่งกุศลอันนั้นเนี่ยนะตั้งใจแล้วก็โยนมีดทิ้งไปเลยให้มันตายดูทีตายกับศีลดูเขาก็สามารถที่จะไม่ฆ่าได้แล้วถ้าปรารบถึงศีลพัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุศลศีลกุศลภาวนาชั้นสูงสูงก็ตามแค่ปรารบปุ๊บเนี่ยนะเหตุการณ์ร้ายๆนึกถึงคําเหล่านี้ยังสบายใจเลยเป็นอนุภาพของอะโลพะอะโทสะอโมหะอันถ้าหาว่าใครที่กําลังมีโทสะอยู่นะแค่นึกถึงกุศลจิตบางอย่าง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 จะดึงคำมะพิจารณาเรื่องนั้นๆต่อไปด้วยจะเอาคําสอนเนี่ยพิจารณาในอารมณ์นั้นๆไปด้วยอันพระพุทธเจ้าไม่ได้กีดกันว่าเธอต้องเห็นอย่างนี้ไม่ได้กล่าวอย่างเธอต้องมีรูปารมณ์แบบนี้เธอต้องมีสรัทธารมณ์แบบนี้เธอต้องมีคันธารมณ์แบบนี้ไม่พระองค์บอกว่าคันธารมณ์ระสารมณ์เป็นต้นเหล่าใดที่กุศลจิตเกิดขึ้นได้ให้สแสวงหาอารมณ์เหล่านั้นเนี่ย ก็คือรักษาสุขภาพจิตเป็นเป็นหลักเพราะว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือจิตและเจตติกนั่นแหละแต่เป็นไปกับกุศลอารมณ์ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นรูปเสียงเปลี่นรสโภชภะเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เป็นอัพยากตะแล้วแต่จะน้อมให้เป็นอะไรน้อมไปดีมก็ดีน้อมไปไม่ดีก็ไม่ดีแล้วแต่จะน้อมเอาถ้าผู้ที่มีอัตตาสัมมาปณิทิฏดีก็จะน้อมไปหาหาความดีเกิดขึ้นพัฒนาขึ้น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 เลือกที่จะเจริญเลือกที่จะพูดจะทําจะคิดก็ได้อันในเรื่องของกรรมบทนั้นน่ะก็คือบุคคลผู้ตั้งนั่นเองแต่ในการเรียนกรรมบทนั้นจะต้องมองทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายดําและฝ่ายขาวก็ยังไงเรียนสูงก็ต้องเรียนต่ําด้วยนะรู้แต่สูงไม่รู้ต่ำมัมจะต่างกันยังไงเรียนมืดต้องเรียนสว่างด้วยทีนี้ก่อนที่จะรู้จักการงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของปานาติบาตด้วย ใครเอาเอกสารมาก็พลิกได้เลยนะหน้าสิบเก้าพูดถึงปาราฏิบตัติขึ้นต้นด้วยกายกรรมก่อนขึ้นเข้าโครงเรื่องก่อนว่ากรรมทั้งหมดมีมีสามหนึ่งกายกรรมสองวจีกรรมสามมโนกรรมเอาฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนะกายกรรมมีสามหนึ่งฆ่าตัดสองลักทรัพย์สามประพฤติผิดในกรรม 3อย่างนี้เรียกว่ากายกรรมส่วนวิจีกรรมมี4ประการหนึ่งพูดเท็จสองพูดส่อเสียดสพูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจอ้อและทีนี้ต่อไปว่ามโนกรรมมีสามมโนกรรมก็คือหนึ่งอภิชาหรือเพ่งเล็งด้วยอำนาจโลภะสองพยาปาทะโทสะสมิจฉาทิฐิ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 หมายความว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็สืบเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่บุคคลเนี่ยไปทําให้ให้สัตว์นั้นอะ่ะตกล่วงไปเร็วพลันอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยตายแน่ใช่ไหมแต่ปกติเขาอาจจะแปดสิบปีตายอย่างนี้ใช่ไหมเราเรียบไปให้เขาตายถ้าตอนยี่สิบอย่างเงี้ยอย่างงี้เรียกว่าปานาธิบัติคือยังไงสัตว์ตายเนี่ยไม่ต้องห่วงคุณค่าเขาก็ตายไม่ค่าเขาก็ตายตายเนี่ยยังไงก็ตายไม่แช่งเขาก็ตายแช่งเขาก็ตายเพราะความตายเป็น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 การใช้สัตราเป็นต้นครอบงําให้ตกล่วงไปชื่อว่าอติปาตะอันนี้ก็หมายถึงการฆ่าสัตว์มีชีวิตสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตนะอันหนึ่งขันทสันดาลที่เรียกว่าสัตว์ชื่อว่าปานะขันทสันดาลนั่นก็คือขันนั่นเองสันตานะสันดาลนี้แปลว่าอะไรสันดาลก็แปลว่าสืบเนื่องอะขันทสันดาลขันเนี่ยแปลว่ากองแห่งโรคเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ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 ไม่สามารถที่จะเป็นตายได้เหมือนมีอะไรมาทิ่มตาตาบอดเลยชีวิตตรูปประเภทจักรคูภาษาธาไม่ทำงานต่อทีนี้เห็นได้ไหมวันหลังไม่ได้ถ้ารูปเสียหายปับ๊บจิตเห็นก็เกิดไม่ได้ทีนี้ในทวารอื่นก็เหมือนกันใช่ไหมหูก็เหมือนกันก็ค่อยไล่นะเออถ้าตาบอดอเห็นไม่ได้ละถ้าหูเสียนะชีวิตตรูปเสียปับ๊บได้ยินไม่ได้ละถ้าจมูกเสียปับ๊บ โอ้โห โ, หโลกเนี้ยนะอยู่ ก, สบสกับศพสบายเลยไม่มีกลิ่นทุก อ, อย่างไม่มีหอมไม่มีเหม็นเลยถ้าหากว่าชิวหาภาษาท่าปั๊บลิ้นจระเข้เลยอะไรก็ไม่รู้อะไรหรือไม่อะไรไม่รู้อะไเ น, นี้ยนะเอาไหมถ้าทานอาหารไม่รู้รสเลยเนี้ยเอาไหมนั่นแหละโอ้นี่เกิดอีกนั้นท <St> ีนี้ต่อไปอีกว่าในชิวหาวัตถุเนี่ยนะก็มีชีวิตอยู่ด้วยถ้าหากว่าชิวหาวัตถุเป็นต้นเสียหายไปแล้วชีวิ ต, ตรูปตรงนั้นเสียหายไปแล้วก็ไม่เกิดละ ทีนี้ในส่วนของกายก็เหมือนกันถ้าหากว่ากายยะภาษาธาตุส่วนไหนตายเดี๋ยวก็จะเริ่เรียกว่าอมพาตเลยมั้งยิกยังไงก็ไม่เจ็บละหรือถ้าหากว่าไม่ไม่เน่าอ่ะนะหรือไม่เน่าเป็นต้นเนี่ยถ้าไม่เน่าเฉยเฉยเนี่ยบางทีก็ยังบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าตรงนั้นไม่มีชีวิตตินรียแต่อาจจะกายยะภาษาธาตุไม่มีเมื่อกายยะภาษาธาตุไม่มีนะไม่เจ็บแต่ตรงนั้นก็ยังมีประเภท ยังมีชีวิตรูปยังมีภาวะรูปยังมีอะไรอยู่ในส่วนอื่นๆแต่เป็นที่อาศัยเกิดของกายะภาษาทะไม่ได้กายภาษาทะไม่มีปับ๊บกายะวิญญาณก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามีดสับเข้าไปฉับหนึ่งก็ไม่เจ็บเพราะว่าที่เจ็บนั้นก็ต้องตรงนั้นต้องมีกายภาษาธรูปอั้นถ้าหาว่ากายปภาษาทะในส่วนนั้นๆเสียหายไปชีวิตรูปก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเจตนาคิดจะฆ่า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 นับจากข้างล่างขึ้นมาสีบ่บรรทัดอยู่ขวามือสุดเลยย่อมไม่เพ่งเลงเนี่ยเอาคําว่าไม่ออกย่อมเพ่งเลงสัตว์ที่เกิดในครันที่อยู่ในท้องของหญิงอื่นด้วยใจที่ใฝ่ต่ําคนที่ที่เรียนวิชาบางอย่างมาเนี่ยนะเรียกว่ามองท้องอะ่ะคิดไปที่ภาพท้องเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเด็กในท้องตายได้อสํานวนแบบทางสุรินเขาเรียกว่าเสกตะปูเข้าท้องเป็นต้นได้อ่ะนะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่า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 บาปมากทําไมเพราะอะไรบอกว่าเพราะมีประโยคใหญ่ประโยคก็คือพิธีการฆ่านั่นเองประโยคน์ฆ่าโหกว่าจะฆ่าตายได้ตัวงั้นน ะ, ะสมมุติแจะล้มช้างสักตัวหนึ่งเนี่ยโหพยายามมากแล้วเกินกว่าจะตายได้แม้เมื่อมีประโยคเท่ากันปาหานติบาต์ชื่อว่ามีโทษมากเพราะมีวัตถุใหญ่เป็นต้นแล้วแต่ว่าใช้ความพยายามเท่ากันสมมุติว่าเราใช้ปืนใช่ไหม ยิงออกไปหนึ <miejsce inside> like e ่งน so ัดเนี่ยความพยายามเท่ากันในการยิงแต่ว่าถ้าสัตว์ตัวเล็กบาปน้อยหน่อยเหมือนไปยิงนกนะถ้ายิงนกกระจิบนกกระจาบอะไรเงี้ยก็บาปน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับยิงนกอินทรีย์ตัวโตๆอย่างเงี้ยก็บาปแตกต่างกันหมถ้าฆ่าสัตว์แต่ว่าฆ่ายุงกับฆ่าแมลงสาบแมลงสาบก็บาปกว่ายุงถ้าหากว่าแมลงสาบกับหนูหนูก็ต้องบาปกว่าแมลงสาบเพราะตัวมันใหญ่กว่าถ้าฆ่าคนอ้วน่ะ อ้วนพผอมเนี่ยเอาความเป็นคนเป็นประมาณนะั่นนะทีนี้ต้องไปถามว่าใครมีศีลกว่าใครถ้าเขามีคุณธรรมมากฆ่าคนนั้นบาปมากถ้าแมวก็บาปน้อยกว่าหมาหน่อยถ้าคนมีปีนก็บาปกว่าเนะทีนี้ในบรรดามนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะผู้มีคุณในเพราะมีคุณน้อยปานาติบาตเชื่อว่ามีโทษน้อยชื่อว่ามีคุณมากปานาติบาตมีโทษมากคุณในทีนี้หมายถึง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 แต่ข้าพระอมีกิเลสก็บาปน้อยกว่าข้าพระเสกขะข่าพระโสดาบันไปต้นข้าพระโสดาบันก็บาปน้อยกว่าพระสกอาาคามีข่าพระสกอาภาคามีก็บาปน้อยกว่าพระอนาคามีนะข้าพระอนาคามีก็น้อยกว่าพระอรหันต์ถ้าข่าพระอรหันต์ก็น้อยกว่าข้าพระประเจกแต่ข้าพระประเจกก็มากแล้วนะอนันติกรรมนั่นนะมันก็สุดยอดแล้วยังไงตกนรกยังไงเลย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 อกว่าซัพย์อันนั้นขอเถอะว่า้นบอกว่าทัพย์ไม่มีแล้วเอาไปให้เขาทําเจดีหมดแล้วก็บอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นจะทําไงดีถ้าหากว่าเราปล่อยเข้าไปเนี่ยเวลาเราเข้าไปในเมืองอะ่ะเขาต้องประจานเนี่ยนีโจรนะนี่โจรเนี่ยเราก็ถูกคายทําไงดีเนะะปานาคามียนะอุบาสกคนนี้ก็บอกว่าเออปล่อยชั้นไปเถอะชั้นจะไม่ว่าอะไรคุณรอกไม่ไม่ฟ้องไม่อะไรทั้งอย่างหรอกทีนี้ คนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกควรฆ่าอีกคนหนึ่งบอกเอออย่าฆ่าเลยทีนี้ไ อ, อ้ฝ่ายบอกฆ่าฆ่าเนี่ยมากกว่าก็เลยร่วมใจกันฆ่าพระอนาคามนีพอฆ่าเสร็จนะเขบอกว่าตาเนี่เริ่มพร่าพร่าพร่าบอดหมดเลยไอ้ครับป่าเรียกป่าคนบอดป่าอันทวันก็เลยกลายเป็นป่าอันทวันป่านั้นก็มาจนถึงาศาสนาของพระผู้มีพระภาคของเราพิสูจทั้งหลายก็จะไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่านั้นเป็นเป็นที่หลีเกเล่นของพระภิกษุ ในสมัยพุทธกาลเรียกว่าป่าอันทวันป่าอันทวันก็คืออันทาแปลว่าบอดวันแปลว่าป่าวันนะอันนะนั้นป่าอันทวันก็คือป่าของคนตาบอดนั้นพระอริยะก็ถูกฆ่าในศาสนาของเรานี้ก็ก็มีหลายองค์อย่างเช่นภาพรูปหนึ่งเนี่ยท่านเป็นพระที่เข้าไปฉันในบ้านโยมใบบอยๆโยมบ้านนี้เขาเป็นตระกูลช่างแก้วมณีช่างอะไรเนี่ยนะเป็นช่างแก้วแก้วมณีพวกเกียระนาเพชรพลอยอะไรต่างๆเราเนี้ย อ่าพระนี่ก็ไปฉันเขาสมัยก่อนเนี่ยบินธบาตแล้วไปฉันที่บ้านโยมไปฉันอยู่อย่างนี้ทุกวันหลายปีมาเป็นสิบปีอ่ะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเขามีคนเนี่ยเอาแก้วของพระราชามาให้อในช่างนี้เจรไนอ่าช่างก็ขณะนั้นเนี่ยกําลังทาเนื้ออยู่พอดีเลยกําลังหั่นเนื้อหั่นอะไรเนี่ยอํามัดเอาของมาให้ปั๊บก็อ้ามือเปื้อนเลือดนี่รับรับแล้วก็วางเอาไว้ทีนี้ในบ้านนั้นมีนกกระเรียนอยู่ตวงนกกระเรียนนี่ได้กลิ่นคาวเลือด ก็มากเลินกินไอ้แก้วอันเนี้ยเลยกเลินกินเข้าท้องไปพระรูปนี้กําลังนั่งมองอยู่ก็มองเห็นท่านเป็นบ้านาัย์ท่านก็มองเห็นท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดอะไ ร, รทีนี้นายช่างแก้วคนนี้เนี่ยพอทําอะไรเสร็จเหลียวไปหาแก้วอันนั้นเนี่ยหาไม่เจองานนี้คอขาดแน่ถามเมียเมียก็ไม่รู้ถามพระพระก็ไม่ตอบเอาอยัางไงเนี่ยเนี่ยถ้าหาว่าไม่เจอเนี่ยถูก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 จนเรียกว่าตาเนี่ยแทบปิ้นออกอะเกือบตายอ่ะทีนี้เลือดมันก็ไหลอาบไอ้นกกระเรียนตัวนั้นมันก็มามันได้กลิ่นเลือดมนก็วิ่งมาเลยนายช่างแก้วกําลังโมโหยอยู่พอดีก็หววเข้าไปปั๊บหนึ่งเนี่ยนกกระเรียนเนี่ยตายคาที่ตรงนั้นนะพระนี่ก็มองเห็นนกกระเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวผ่อๆหน่อยว่านกตายหรื อ, อยังก็ <c oughs> บอกเออทางก็จะตายเหมือนนกนั่นแหละก็บอกเออปล่อยปล่อ ย, อย <c oughs> ไอ้แก้วที่ว่านี่อยู่ในท้องนก ถ้าหากว่านกตัวนี้ไม่ตายอย่างไงก็ไม่บอกพราะบอกงไงต้องถูกฆ่าอยู่แล้วทีนี้ก็เลยไปผ่าผ่าเสร็จเนี่ยเห็นนกปรเรียน เ, ย เ, ยเนี่ยเขาเสียใจมากโอ้ฆ่าพระพระรูปนี้เข็ดเลยอ่ะเลิกชั้นบินบ้านโยมลนะบินระบาดชันอย่างเดียวไปภรรยาเขาเป็นคนมีตัทธาพระรูปนั้นอยู่ไม่นานท่านก็มรณะภาพเพราะโรคไอที่ที่เขาทาําท่านก็มรณะแล้วก็นิพพานเพราะท่านเป็นพระอรหรันต์ ภรรยาเขาก็ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเป็นสุขตินกกรเรียนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนคนฆ่านั้นก็เกิดเป็นเกิดเป็นอะไรฆ่าพระร้านนาโรกอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นในในศาสนาของของพระผู้มีพระภาคของเราก็มีมีถูกฆ่าอยู่เหมือนกันอันคนทําอนาธิ ก, กรรมนี่ก็ไม่น้อยเลยอะ่ะไม่ไม่ใช่ในม่ร้อยอะนะคนบาปเนี่ยอยู่ยุคไหนมันก็บาปอ่ะนะฉะนั้นถ้าฆ่าคนมีมีคุณธรรมมากมันก็บาปมาก ทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่าค่าคนที่มีกิเลสน้อยก็บาปมากค่าคนมีกิเลสมากก็บาปน้อยทีนี้ถ้าหากว่าค่าคนที่มีคุณเสมอกันอ่ะสมมตินะเอาคนมีศีลมาสองคนเลยมีศีลห้าทั้งคู่เลยก็บอกว่าค่าสองคนนี่ค่าใครบาปกว่ากันค่าใครบาปกว่ากันเอาหญิงชายเนี่ยมีศีลห้าเท่ากันเอา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 ถ้าปล่อยจิตให้ไหลไปกับบาปมากมันก็บาปมากถ้าปล่อยจิตให้ให้ไหลไปกับบาปน้อยมันก็บาปน้อยถ้าใช้ความพยายามมากเนี่ยวิริยาทิปติมันมีมากโทสะเป็นวิริยาทิปฏิใช่ไหมอ่าวิริยะที่เกิดร่วมกับโทสะสืบเนื่องเนี่ยเป็นวิริยาทิปฏิอย่างเงี้ยมันก็บาปมากเราตบยุงไม่ต้องใช้ความเพียรเลยก็บาปน้อยหน่อยคือบาปน้อยอ่ะเมื่อเทียบกับเพียร น, นะเมื่อเมื่อเทียบกับไปตบแระ็กสาบก็ บาปน้อยกว่าแต่ถ้ารบมั้วบาปหมดนะั้มีโทษหมดนะ่ะทีนี้ต่อไปนะว่าปานาติบาทเนี่ยมีองค์ประกอบห้าอย่างก็คือหนึ่งปาโนสัตว์มีชีวิตสองปาณสันยิตารู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตสามวัฏกรจิตตังจิตคิดจะฆ่าสี่อุปกรกโมพยายามที่จะฆ่าห้เาเตณมรณงสัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นถ้าครบองค์ห้านี่เรียกว่า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 กายแต่ก็ไม่ชื่อว่าล่วงปานาธิบาตอะไรถามว่าเอยที่เดินแบกปืนทั้งวันนี้มีผลไหมชาวนามันก็เกิดเนี่ยเป็นอาุศลอกุศล ก, ก็ให้ผลเป็นถูกอยู่แล้วเอ๊พูดอย่างนี้ก็สมัยก่อนเนี่ยไปหาหนูบ่อยแสดงว่ามีโทษหนูตามป่าเขากินกันนะหนูในเมืองไม่กล้าเพราะฉะนั้นถามว่ามีผลไหมได้ปัจจัยพร้อมเนี่ยให้แน่นอนนะท่านเรียกตึกษาธรรมะนี้เถอะ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 ที่บอกคนนี้รู้อยู่ว่าสัตว์มีชีวิตใช่ไหมครับคือสําคัญที่สุดก็คือขอ้อข้อหนึ่งข้อสองอ่ะนะสัตว์มีชีวิตแล้วเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตเนี่ยเนี่ยเป็นเบื้องต้นสัตว์มีชีวิตจริงแต่เราคิดว่ามันตายแล้วเนี่ยคิดว่าตายแล้วเราก็ไปไ ป, ไปตัดคอมันเลยแบบนั้ยถ้านึกว่าตายแล้วก็มันไม่ครบองคองไออ์ไม่ครบองค์ไม่ครบองค์นะไม่ไม่ครบปานอาธิบตัตตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ถ้าเรารู้นะสมมตินะ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 ต้องดูในตตทยาปราชิกตตทยาปราชิกในพระไตรปิฎกเก้าสิบเอ็ดเล่มอยู่เล่มสองในสมานตะปาสาทิกาทุติยภาพขยายไว้ค่อนข้างละเอียดละเอียดหน่อยถ้าเป็นวินัยบัญญัตินี้พระองค์ห้ามไม่ให้ฆ่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายนี่เป็นอบัตทุกกฎแต่ถ้าฆ่าคนอื่นเป็นอบัตปราชิกห่างกันมากมายมหาศาลฆ่าเด็กสมมติว่าเร า, าทำยานะ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 ถ้าฉันนะนี่ก็ฆ่าตัวตายนะพอฆ่าตัวตายปั๊บเนี่ยท่านนึกว่าท่านได้ดีไปแล้วอนะนึกว่าท่านบรรลุไปแล้วทีนี้พอฆ่าตัวตายปั๊บนิมิตปรากฏแล้วก็อาศัยนิมิตนั่นแหละเจริญมิปัตนนาเป็นผ้าหาันชีวิตสมศรีสีโอหมดกิเลสมอกับหมดชีวิตเอาไหมเอานะแ<อ>น่ใจนะคือไม่มันต้องบรรลุ ก, ก่อนตายตายแล้วบรรลุนี่ไม่ใช่แล้ว <laughs> ต้องบรรลุ ก, ก่อนตายอ่ะ <laughs> มีหลายองค์นะพระครูิกะ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 ใกล้ตายแต่สมัยนี้ตาเนี่ยก็น่าจะฟีอะอค <c oughs> ดูท่าแล้วก็แหมบาปนี่ทําไว้ต่างเยอะแยะมากมายคิดจะหนีปัญหาโลกนี้ใช่ไหยปัญหาโลกหน้าเนี่ยหนักกว่เาเก่าใครเคยอ่านในเปตรตวัตถุบางเรื่องใช่ไหมพอมีนาหน้ากันหลานเนี่ยคือหลานเนี่ยไปขโมยของบางอย่างมาก็เอาของเนี่ยมาทิ้งไว้ที่บ้านนะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาตามมาจับเขาว่าไอ้นานเนี่ยเป็นคน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 ขโมยผ้าเพื่อนเอาไปซ่อนไว้เพื่อนจะได้ลุกขึ้นจากน้ำได้แก้ผ้าใช่ไหมก็ได้หัวเราะเล่นสนุกสนุกไปงั้นเลยแต่แล้วก็คืนผ้าให้คืนนั่นแหละทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้ตรงร้านเขาเนี่ยบ้านเขาเป็นร้านทีนี้ในถนนหน้าบ้านนี่มันแฉะเาก็เลยเอากระโหลกศีษะวัวเนี่ยไปวางไว้ให้คนได้เดินเหยียบผ่านไปผ่านมาทีนี้เวลาถูกฆ่าตายอก็มาเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นเปรตแก่ผ้าไอ้พวกที่ไปรักผ้านั่นแหละแก้ผ้า ทีนี้อันนี้สงที่ไปเอากระโหลกเนี่ยไปวางให้คนเหยียบเนี่ยนะทําให้มีม้าขาวเสร็จ แ, แล้วเป็นเปรตแก้ผ้าขี่ม้าขาวเนี่ยมาบอกหลานอยู่ทุกวันเอ้ยอย่าตายเลยนะอยู่อย่างนี้ทนๆนอยู่ไปเถอะขนาดถูกเสียบก้นเลยนะเขาบอกอย่าเพิ่งตายเลยเอาถามมาทำไมอ่ะเพรตายแล้วตกนรกง่ายๆเลยถูกเสียบนี่มันเบาหน่อยใช่ไหมโทษน้อยอะ่ะก็เทียบกับนรกแล้วโห่นรกมันมากมายมหาศาลเน่ยเขาบอกว่าถ้าเวจีนะ ถ้ามองเลยพันหกร้ยกิโลเมตรเนี่ยนะถ้ามองเห็นป๊บตาบอดทันทีน mm hmm. แสงระหว่างเนี่ยแรงกว่าดวงอาทิตย์ไหมประมาณรัศมีพันหกร้อยกิโลเมตรเนี่ยตาบอดถ้าอยู่ใกล้มันจะขนาดไหนนะเขาบอกว่าสมมุติเราเอาฟืนส ด, สดๆเนี่ยมาสมเป็นกองโตๆเลยนะเอามาไฟของอเวจีมาเท่ากับแสงหินห้อยเนี่ยนะพึบเดียวหมดเกลี้ยงเลยเนียนะคือไฟมันพุ่งเนี่ยนะมันมั น, มนไม่ไม่ธรรมดาเคยเห็นเขาตัดเหล็ก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 แม้แต่อุทจาระสามประยุทธ์ก็ให้ได้แต่ก็ให้ไปเป็นพวกประเภทอุปปีและกะกรรมพวกเนี้ยไปเบียดบ้างอาแทนที่จะเป็นกุศลอสมมติว่ากุศลเนี่จะให้ผลร้อยหนึ่งอกุศลบางอย่างตัดเออเอาไปแค่สี่สิบก็พอมันสามารถมันปาดปาดกันได้มันตัดร้อนอะไรกันได้ถ้าศรัทธามไม่เกิดนะยังไงก็เรียนไม่ได้เชื่อเถอะเขาก็มีพระ อ, อินทนระ์ลงมาถามปัญหาธรรมะก่อนเลยนะพระ อ, อินทร์เนี่ยเขาจะนัดกันไปเที่ยวสวน รีบลงมาถามปัญหาพระผู้มีพระภาคในจูละตันหาสังขยาสูตรมาถามปัญหาสั้นๆแล้วกลับไปกลับไปนี่พระโมคคัลลานะเนี่ยไม่ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงแต่ก็ว่าจะรู้ว่าพระอินทร์เนี่ยจําได้ไหมก็เลยตามไปเนี่ยพระอินทร์เนี่ยกาลังไปเที่ยวสวนทีนี้ไปถึงเนี่ยเขาบอกโอ้ดีแล้วท่านมาเยี่ยมเสร็จแล้วพระโมคคัลลานะก็ถามเออเมื่อกี้เนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าไปเนี่ยช่วยแบ่งเงินเล่าให้ฟังฟังบ้างสิงไปฟังอะไรมาเขาก็บอกว่า จำไม่ได้แล้วผมเนี่ยกิดมากสุระมากวานะจำไม่ได้ทีนี้จําไม่ได้ก็เออท่านพโมกขาลานะผู้เจริญเนี่ยเที่ยวชมปราสาทผมหนึ่งวันชวนเที่ยวดูชมเวทยันต์ปราสาทสูงห้าร้อยชั้นอะ่ะทีนี้พอขณะที่กําลังเที่ยวอยู่พลึนนั่นแหละพโมกขาลานะก็อธิษฐานเจริญอาโปกสินใช่ไหมเข้าอาโปกสินอธิษฐานให้ปราสาทข้างล่างเหมือนกับน้ำแล้วเอาโป่งเท้าเนี่ยกด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 อนาประโยคแห่งการฆ่าหกที่ว่าก็คือหนึ่งฆ่าด้วยมือตนเองนี้ไม่สงสัยสอง 2. อนัติกะประโยคใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็คือสั่งสั่งเขาอ่ะสามนิสกิยาประโยคด้วยการคว้างอาวุธไปปล่อยอาวุธไปก็เหมือนกับสมัยใหม่เนี่ยนะอาวุธที่มันยิงได้ไกลๆอ่ะนะพวกนี้เรียกว่านิสกิยาประโยคกสี่ทาวอประโยคกฆ่าด้วยเครื่องมือที่ทําไว้ประจำเขาเล่าว่า ถ้าผู้ใดคิดสร้างอาวุธนะอาวุธในการฆ่าถ้าคนนั้นเนี่ยสร้างคิดไว้เพื่อให้ฆ่าเลยนะถ้าเขาเอาไปฆ่าร้อยคนเราได้บาปร้อยครั้งด้วยถ้าเข้าไปฆ่ามากเราก็บาปมากโม่ถ้าเราจะสร้างปืนสักอันหนึ่งนะเอาไว้ให้ฆ่าโมหรือสร้างดาบมาสักอันหนึ่งเป็นดาบที่มีความคมมากฟันฉับเดียวเนี่ยคอขาดย่างไงถ้าแล้วเราให้ดาบเนี่เราเจตนาตั้งไว้เพื่อฆ่านะเขาไปฆ่าหนึ่งพันคนเราก็บาปหนึ่งพัน ถ้าเท่าไหร่เราก็บาปเท่านั้นนะเพระฉั้นพวกที่สร้างอาวุธประเภทอาวุธถาวรเนี่ยจึงน่ากลัวมากเลยนะประเภทฆ่าอาวุธเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรที่ที่อุบาสกไม่ควรทําเป็นอาชีพที่ ท, ท, ที่ไม่ควรไม่ควรเจริญเลยสจพร น, นั้นโทษของสังสารวัตรเนี่ยมันน่ากลัวมากมันคนหัวดีๆแล้วก็ใช้หัวไปในทางที่สมมุติว่าคิดประดิษฐ์ยาพิษขึ้นมาอย่างนี้น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 ตรงนั้นมีอะไรมั่งที่ไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาใช่ไหมขณะนั้นก็ยังมีขันธ า, ายาตนะอันอุปกรณ์แห่งการอบรมปัญญาขณะนั้นก็มีแต่ถ้าขาะนี้ไม่เคยอบรมเลยนะไม่ต้องพูดถึงขณะนั้นหรอกถ้าขณะนี้วิจัยอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะตอนป่วยมากๆเนี่ยธรรมะก็เอาไปไกลๆหน่อยสําคัญอย่างนั้นแต่ถ้าอบรมไว่มากๆละตรึกบ่อยๆใส่ใจมากๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยเราได้ต่อไปนะว่า วิชามยะประโยคค่าด้วยอำนาจคุณสายก็คือค่าด้วยไสยศาสตร์แล้วก็หกอิทธิมยะประโยคค่าด้วยการบรรดาลปิตอธิบายในประโยคเหล่านั้นโดยย่ๆอๆพยาพิสดารก็ น, นู่นอ่านในสมันตปาสาติกาตติยะปราชิกก็แล้วกันว่าบรรณาประโยคทั้งหกอย่างนั้นประโยคแห่งการค่าที่บังเกิดขึ้นด้วยมือของตนชื่อว่าสาหติกะประโยคคือค่าด้วยมือตนเอง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 เทา้าเวสุวรรณนี่จะมีตาอีกตาหนึ่งตาที่สามเขาบอกว่าตานี้ถ้าโกรธยักษ์ธรรมดาเนี่ยมองเนี่ยยักษ์จะตายมากสมัยที่ไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ฆ่ามาานันได้น้อยเหมือนกันนะเท้ามหาราชอ่ะเท้าจาตุ ม, มหาราชเนี่ยอาวุธพระอินท์เนี่ยถ้าหากว่าสัดไปนะวัชราวุธของพระอินทเนี่ยก็มียโนภาพมากนะปะาลให้ฆ่าขนาดไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนยิ่งมีบุญเท่าไหร่นะโอกาสที่จะได้ทําบาปกว่ามากเท่านั้น สมมติถ้าเรามียศมีเดชมีอำนาจขนาดไหนน้อมอำนาจนั้นไปเพื่อการฆ่าเนี่ยเหมือนเป็นฮีเลอร์เงี้ยก็ตายเท่าไหร่ฮีเลอร์ฆ่ายิวอย่างเดียวก็ประมาณหกล้านเนะ่ยยิวเนี่ยตายประมาณหกล้านโอ้ถ้าท้ามากๆเข้าแล้วทีนี้บาปมันโอทถามันให้ผลนะสังสารวัตเนี่ยมันจะหมดที่เนาะนะสังสารวัตเนี่ยก็เรียกว่ายาวเลยอะและอีกอย่างหนึ่งนะกรรมบางอย่างอย่างคนที่ที่หัวดีๆแล้ววางแผนฆ่ามากๆเนี่ยนะ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 กรร ม, มวัดเนี่ยจึงมากมายมาตาจารยนะแล้วก็พอกรรมเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะสมมติอกุศน์มันให้ผลสัตว์ส่วนใหญ่พออาคุศนให้ผลปับ๊บอาคุศลจะเกิดต่อทันทีเลยอาคุลนิบาศจะทําให้เกิดโทสะง่ายแล้วก็ไอ้ผลของกรรมเก่านี่มันก็เจ็บแสบอยู่แล้วทํากรรมใหม่เข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขคติของคนพานเนี่ยจึงหายากมากถ้าหากว่าเผลอไปต่ํำนะ ถ้าไปอบายแล้วเนี่ยจะกลับมาจากอบายคืนเนี่ยยากมากเว้นไว้แต่ว่าคนนั้นเนี่ยบุญเก่าค่อนข้างมากอป ร, ราเปรี้เจตนาของเขาอะ่ะจะมาให้ผล น, นำเกิดในภพที่ดีก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงบ้างแต่ถ้าหากว่าคนที่สะสมอกุศลไว้มากๆเนี่ยนะก็คิดดูว่าโยมยุ่งนี่มันมากขนาดไหนเพราะสัตว์เดราชานนี่มีมากมายมหาศาลปลานี่ก็ไม่ใช่ใ น, น้อยเลยเนะาะบ่อปกาเนี่ยเทียบแล้ว เปร์เซนเกิดในท้องปลามีหรือเปล่าฉันพยายามศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็ให้เห็นโทษของเจตนาให้มากๆคือกุศลที่เป็นไปเพื่อตัดกรรมก็คือกุศลประเภทวิปัสสนานั่นเองอกุศลประเภทปริญญาสามทำวิจัยเรื่องนี้มากมากขนาดไหนเราก็สามารถที่จะพ้นได้ขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าเราทํากุศลประเภทวะตะอยู่นะทูตสาทูต่าแล้วขอให้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าอย่างนี้นี่ก็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 แต่ถ้าไม่มีบุญเก่าเลยนะแล้วคนอื่นเนี่ยฆ่าต่างมากมายทําไมไปโปรดแค่องค์ุริมานอยู่คนเดียวโจนอื่นๆทําไมไม่ไปบ้างอะ่ะเพราะโจนอื่นๆไม่มีของเก่ามาก่อนไม่มีบุญเก่ามาก่อนอันคนที่สะสมบุญเก่าถึงชาตินี้ไม่ได้ตรัสรู้ทำแต่ยุคต่อตไปใช่ไหมถ้าพระศรีอานไม่ได้บรรลกุก็ไปในศาสนาของพระเจ้าประเนสนิโกศลศาสนาของพระเจ้าปเนสนิโกศลไม่แน่ศาสนาองค์ต่อตไปคือถ้าศึกษาเรื่องกรรมแล้วก็จะทําให้เราเห็นว่า ชีวิตเราเนี่ยนะนอกจากพระรันาตนตรัยแล้วเราไม่รู้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งจริงๆเลยนะที่ที่จะช่วยพึ่งทางความคิดของเรานะ <ST. S 1> เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ อ, อาศัยพระรัตนตรัยเนี่ยเราไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรเลย <Yeah. S 1> พูดอยนางนั่นก็บาปพูดอย่นี้ก็บาปทําอย่างนั่นก็บาปทําอย่ า, างนี้ก็บาปแต่ถ้าเรามี <The heart of everything> พระรันาตนตรัยพระรันาตนตรัยจะคอยบอกเราเลยจะคอยบอกเลยนะเห็นคนนี้เราต้องเจริญกุศลแบบนี้นะคนนี้ต้องเจริญกุศลแบบนี้นั้นคําสอนของพระผู้มีพระภาคจึงมาก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 อีกว่าดูกรพิสูจ์ทั้งหลายกายสันเจตนาสามอย่างเป็นกายกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบากวจีสันเจตนาสี่อย่างเป็นวจีกรรมฝ่ายอกุศลมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นวิบากดูกรพิสูจน์ทั้งหลายมโนสันเจตนาสามอย่างเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศลมีสุขเป็นกาไรมีสุขเป็นวิบาก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 สติสัมโพชฌง์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงอันโพชฌงนี้เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนั้นในโพชฌงคเจ็ดมีเจตนาอยู่ด้วยไหมโพชฌงคเจ็ดเนี่ยนะในเจ็ดองค์เนี่ยมีมีคำว่าเจตนาอยู่ด้วยไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยโพชฌงคเจ็ดก็เป็นกรรม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 สัมมาสมาธินะนี้เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมธรรมะสิบห้าอย่างโดยพ่อชงและองค์มร์เหล่านี้ทรงแสดงไว้ด้วยกรรมมัจจุกะด้วยประการชนิอันนี้สิบห้าอย่างใช่ไหมพ่อชงเจ็ดบวกกับอริยมร์มีองค์แปดเป็นสิบห้ายังไม่พอนะนี้อีกอันหนึ่งเธงทราบธรรมะที่สัมปยุทธ์ด้วยเจตนายี่สิบเอ็ดอย่าง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 องทำคําว่ากรรมเนี่ยตัวแรกหมายถึงเจตนาสองหมายถึงทำที่สัมปยุศกับเจตนาอันนี้เนี่ยยี่สิบเอ็ดอย่างถ้าเราศึกแปลคมพีอย่าไปยืนยันที่ไหนสักอย่างนนะเคยเรียนมาอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าเป็นการรักษาสัจจะไว้ไงแต่ไปยืนยันเนี่ยเรียกว่าไม่เชื่อตามรักษาสัจในจังกีสูตรกล่าวไว้อย่างนั้นบรรดาธรรมะเหล่านั้นโลกุตระมักเมื่อจะรวมเป็นพวกก็ย่อมรวมกรรมสามอย่างมีกายกรรมเป็นต้น ในขณะโลกุตระมรักษ์อะนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละอันนี้ก็ยกขึ้นมาให้เห็นว่าคําว่ากรรมนี้มีเนยะค่อนข้างกว้างถ้าใช้คําว่ากรรมก็หมายถึงเจตนาและธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาสมมุติถ้าหากว่ากายกรรมสามวจีกรรมสี่เนี่ยกายกรรมสามกับวจีกรรมสีเนี่ยนะตัวนี้เป็นเจตนาส่วนมโนกรรมสามอนั้นเป็นธรรมะที่สัมปยุติกับ เจตนาหมายถึงหมายถึงธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาเพราะว่าอะโลภาไม่ใช่เจตนาใช่ไหมหรือว่าโลพะก็ไม่ใช่เจตนาโทสะก็ไม่ใช่เจตนามิจชาทิทิก็ไม่ใช่เจตนาแต่เป็นธรรมะที่สัมปยุติกับเจตนาแต่ก็เรียกว่าเป็นเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นมนโนกรรมถ้าหากว่าเจตนาเป็นกายกรรมกับเป็นวจีกรรมทวารกรรมมีสาใช่ไหมกายกรรม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 พอพูดถึงกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมบริบูรณ์แล้วค่อยเอาเจตนาพวกเนี้ยไปวินิจฉัยเรื่องกรรมและผลของกรรมอีกครั้งหนึง่งก็แสดงว่าคำว่ากรรมกรรมเนี่ก็แบ่งเป็นสองอย่างทีครับกรรมที่ให้ให้ผลกรรมที่มีผลนะครับคือนองกรงนี้นี่คือเทศนาวิราชนะคือนิย่าแห่งเทศนาที่ที่กล่าวเนี่ยเป็นนิย่าแห่งเทศนาใช่ไหม แล้วในยะอย่างอื่นน่ยคืออะไรครับอในย่าอย่างอื่นก็คืออย่างในย่าตรงๆก็คือกรรมปัจจัยไงกรรมปั จ, จโยติตรงนั้นอ่ะกรรมปัจจัยเจตนาแล้วก็ทำที่สัมพยุตกับเจตนาเป็นปัจจัยแก่วิบากกรรมะชรโรหรือว่าเป็นปัจจัยแก่จิตชะโรเป็นต้นอ่ะพวกนั้นเรียกว่ากรรมปัจจัยแต่แต่ตรงนี้เนี่ยกล่าวถึงกายกรรมมจีกรรมและ มโนกรรมซึ่งกำลังเกิดขึ้นเท่านั้นเ อ, อเพียงแต่สําเร็จเป็นไปทางทวารนั้นๆเท่านั้ น, น, น, น, น, นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวกรรมที่จะให้ผลเจนพนคือยังไม่ได้ขยายในเป็นเรื่อง<น>ที่ทําสําเร็จไปทางทวารนั้นๆเท่านั้นเจนพรกล่าวถึงขณะที่กําลังทํานี้เท่านั้นเองพอทําทเสร็จแล้วค่อยเอานา น, ะะนักขาคณินกกรร ม, มปัจจัยมาวิจัยอีกครั้งหนึ่งรอบสองอันนี้รอบแรกพูดแค่ว่าลักษณะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทัวร์อีกครั้งจาได้แล้วนะ กายกรรมมีสามัจีกรรมมีสี่มโนกรรมสา ม, สามกายกรรมบัจีกรรมองค์ธรรมได้แก่เจตนาส่วนมโนกรรมองค์ธรรมได้แก่ทำที่สัมปยุตกับเจตนาหมายถึงอะไรหมายถึงมโนกรรมถูกต้ององค์ธรรมได้แก่หนึ่งโลภะสองโทสะสามมิจฉาทิฐิสามดวงนี้เรียกว่ามโนกรรมฝ่ายอากุศล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 แต่เรียกว่าเป็นธรรมะที่สัมยุญกับเจตนาฮัลเจตนาเนี่ยอยู่ในฝ่ายฝ่ยอัปโพหาริกมีเหมือนไม่มีเขาว่ากันไม่พูดถึงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสามตัวเนี่ยเป็นตัวให้ล่วงมโนกรรมเป็นตัวให้ล่วงมโนกรรมคืออะโลพาอะโทสะอะโมหะเป็นตัวทําให้ล่วงมโนกรรมฝ่ายกุศลเรียนตอนแรกๆก็ น, นึกว่าเข้าใจไปทั้งเยอะเลยเนะเาะออกไปเอามาชักวิจัยแง่มุมต่างๆนี่นก็ชักเอ๊ะยังไงกันแน่ ไม้ก mm. so ่อนเนี่ยมาเนี <inaudible> like wow. <inaudible genocide> ่น้อยเลยอ่ะเอาคือเราเอาธรรมะหมวดอื่นๆมาสงเคราะห์มาถามดูนะย่างถึงธรรมะหมวดน้นก่อเงียบอย่างหมวดนี้ก่อเงียบนี่ยังไงกันแน่เนี่ยเอ๊แล้วเราเข้าใจกี่เรื่องแล้เนี่ยโผมขาดความมั่นใจไปเยอะมากนะที่เรารู้อะไรบ้างเนี่ยทีนี้เอาใหม่ค่อยๆเอคำพินี้ว่ายังไงคำพินั้นว่ายังไงค่อยว่าไปเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องไป นานๆเข้าเขาก็เรียกว่าผู้รู้เหมือนกันนะเขาเรียกให้เขาสมมุติให้ที่จริงก็ยังยังเรียนเหมือนเดิมนั่นแหละคําว่ากายกรรมนี่นะครับสมมุติว่าถ้ากมันเป็นอกุศลนะฝ่ายกุศลนะครับถ้าสมมติว่าปานาธิบาเนี่นฮะเจนพามันสําเร็จไปทางกายถูกไหมครับเจนพาสำเร็จทงแล้วตัวที่ให้ผลคือตัวเจตนาอันนั้นพูดโดยนานะขาดที่นี้กรรมปัจจัยแต่เราไม่พูดแต่ยังไม่พูดถึงยังไม่พูด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 อ่าสามโมหะสัมปัญญะเขาตรึกต่อไปเลยในเราก็สัมปชัญญามันกันรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วว่างั้นเขาแปลว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมใช่เลยคำพีนั้แย่มากๆเพราะฉะนั้นพยายามศึกษาให้เข้าถึงอัถรดั่งเดิมของคำนั้นๆถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองก็เอาคมภีร์นั่นแหละประไตรปิฎกอัจฉริยดาท่านให้คำจำกัดความไว้แล้วล่ะทีนี้ทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาเราพูดคดําใดคำหนึ่งนะพยายามนึกถึงที่มาให้ได้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 โอเอาเสือเอาหมอนเอาอะไรมาหอบมามัดติดกับตัวเคระครองใหญ่บางคนเนี่ยมันเป็นคําพูดล้อเลียนใช่ไหเนี่คนหลังๆมาเนี่ยก็มาถือๆตามมันมาหรือก็อีกจุดหนึ่งก็เถรสองบาทอ่ะคือคือในวินัยเนี่ยเขาบอกว่าราวหกนิ้วเนี่ยนะต้องเปลี่ยนบาทใหม่ได้ทีนี้พระเทราเนี่ยท่านบาทท่านร้าวใ่ท่านก็ส่องอยู่ทุกวันอ่ะมันราวได้ประมาณกี่นิ้วกี่นิ้วอ่ะทีนี้พระองค์ต่ อ, ต อ, ตอไปเอออาจารย์เนี่ยท่านใดดีเพราะสองบาทแลนะมั้งเราก็เลยสองบ้าง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 เป็นเครื่องดำเนินไปในเบื้องหน้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ทำลายทุกเป็นผู้จัดแจงประโยชน์เกื้อกูลแกเราทั้งหลายเราทั้งหลายตรัสรู้ตามอย่างนี้อนี้คือลักษณะของการถึงสารณะเออเนี่ยเนี่ยคือลักษณะของสารณะอันเราต้องพยายามพบทวนว่าสารณะคืออะไรใช่หมถ้าสารณะเข้าใจน้อยเนี่ยนะเราก็ห่างระรตนะรกยมากเพราะว่า เบื้องต้นของการเข้าถึงผู้ศาสนาคือการถึงไตรสรณคมใช่ไหมในคำภีพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระไตรปิฎกมีห้านิกายหนึ่งทีขณิกายสองมัชฌิมนิกายสมสังยุตตนิการสี่อังคุตรนิกายห้าคุถกานิกาย 5. คุถกานิกายขึ้นต้นด้วยคมภีคุถกะปาทะคำภีคุถกะปาทะขึ้นต้นด้วยพุทธังสรนังขจ า, ามิสอนเรื่องไตรสรณคมวันไตรสรนคมเสร็จสอนศีลห้า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 เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าโอ้โหพาะสมบัติเนี่ยเกาะตำรานแน่นเลยโอ้แสดงมันมีสารณะกับเขาแล้วละ่ะไม่เป็นคนป่าคนเถื่อนเหมือนสมัยก่อนนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยนั่งหลับตาเทศได้ตั้งหลายชั่วโมงนะว่าไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็ว่าไปดูทาแต่ว่ า, าทำบาปมาเยิ่มกันนะหอธรรมมาเองเนี่ยเพราะว่าที่เรียกว่าเขาเรียกว่านะเขาเรียกกันะนะเขาไอ้ที่วันนี้คือใครก็ยังไม่รู้ต้นตอของคําพูดเนี่ย เขาว่าเราเป็นนักปฏิบัติเขาว่าไงเราก็จะพูดเป็นนักปฏิบัติว่าไปเรื่อยว่าอยู่หลายปีนี่ก น, นะจน <c oughs> ปิดพระไตรปิดกอยู่หลายปีอ่ะเพราะว่าที่มาบวชนี่ก็เพราะว่าอา่านหนังสือที่เรียกว่าปฏิบัตินั่นแหละนี้เราก็เลยมาศึกษามาเรียนรู้มาแบบนั้นแหละนั่งปฏิบัติแช่น้ําก็เอานะเอาหมดอเนตัดชิค ก, ก็ลองอะเขาเอาหมดอะทุดงเราก็ทุดงมือเดียวก็มือเดียว บินบาทได้ยังไงกับฉันอย่างนั้นเหรอเอาหมดอะแ ท, ทีนี้ว่าพอทําเสร็จแล้วนะพอมาศึกษาเข้าจริงๆเฮ๊ ه, ที่เราทํำนี่มันถูกคําสอนข้อไหนบ้างหาไม่ได้เลยอะพอมาศึกษาเข้าจริงๆริงเอ๊ะเราปฏิบัติตามสูตรไหนได้บ้างเนี่ยหาไม่ได้เลยทีนี้ถ้าหาว่าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อคําสอนจริงๆนะเราจะบอกว่าคําสอนใช้ไม่ได้อันไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยใช้ได้แต่ทีนี้เราก็เห็นความผิดพลาดว่าไอ้สมัยที่ว่าเราปฏิบัติเนี่ยนะ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 ไอ้ที่ผ่านมามันทําแบบไม่มีสารณะวะงั้นทาแบบไม่มีที่พึ่งอทีนี้เราก็มาขอเอาสารณะเนี่ยเอาตามพระไตรปิฎกนี่แหละถ้าจะตกนรกก็เพราะตกนรกตามคนที่เขียนพระไตรปิฎกนี่แหละ <c oughs> แต่ถ้าจะได้ดีก็ได้ดีตามคนที่เอาตามพระไตรปิฎกนี่แหละเพราะฉะนั้นเราบอกว่าก็อกว่าของเราขอศึกษาตามพระไตรปิฎกใครว่าอะไรนะชมรมศึกษาพระไตรปิฎกชาวล้านนาะ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 แล้ประโยชน์อย่างยิ่งทั้นเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นข้อความในเมตสูตรเนี่ยการณียมัทกุสเลนะยังตังสันตังปัทังอภิสเมเจเนี่ยการณียะเนี่ก็คือกิจนั่นเองอัทธกุสเลนะการณียมัทธกุสเลก็คืออัทธก็คือประโยชน์กุสเลเนี่ยแปลว่าฉลาดกุลบดผู้ฉลาดในประโยชน์ปราถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขา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 การกล่าวว่าพูดทางสรารนังข้าสามีก็เท่ากับเป็นการมอบกายถวายชีวิตแล้วใช่ไหมว่าการถึงไตสรสารณคมมีกี่อย่างการถึงไตสรสารณคมมีสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งการมอบกายถวายตนสองความมีพระตัต น, นาตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าสามการเข้าถึงความเป็นสิทธสี่การนอบน้อมอย่างยิ่งแล้วเราเนี้ยอยู่ในข้อไหนหนึ่งในสี่เนี่ยมอบกายถวายตนก็ยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมการพรีชีพเพื่อ พระพุทธเจ้าเป็นต้นเราไม่ต้องไปตายแทนพระองค์อะไรหรอกพลีชีพก็คือว่าพระองค์ว่ายังไงก็ทําตามนั่นแหละอันนั้นนั่นแหละเรียกว่าพลีชีพแล้วละ่ะทําตามที่พระองค์ว่านั่นแหละก็คือการมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยใช่ไหมยอย่างข้อสองก็คือมีพระรัตนตรัยเป็ น, ปนเป็นที่ไปในเบือเเบ้องหน้าก็คือว่าจะทําอะไรพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงพระทำว่ายังไงพระสงฆ์ว่ายังไงขอปฏิบัติตามท่านอ่ะอันนี้เรียกว่า มีพระธนัตไตรเป็นที่ไปในเบื้องหน้าอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นโบราณนะเป็นโบราณนี่เวลาเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะคล้ายๆพิธีบวงสวงเส้นสวงอะไรเขาจะทําอะไรตั้งไว้ข้างหน้าตอนใช่ไหมเรียกว่าวากรู้สักก่อนอครูว่ายังไงก็ว่าไปตามครูนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราจะทําอะไรพระพุทธเจ้า ว, ว่ายังไงเพราะฉะนั้นประเพณีโบราณเขาเรียกว่าเวลาจะทําอะไรก็ น, นะโมตสสะภควะตัวะโตสัมมาสัมพุทธสระนะคนโบราณจริงๆเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ย ตั้งหน้าโมขึ้นก่อนแต่แดงว่าแบบฟอร์มเนี่ยใช่เลยอ่ะแต่ปฏิบัติไม่รู้นะพราะว่าแบบฟอร์มเนี่ยเขาเอาพระัตนาตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าจริงๆนะว่าโบราณเขาทําให้ดีหรือนี่เชิญพายอีสานก็เหมือนกันเหนือต้องไหมโมสังโคนี่คล่องติดปากเลยเชิญพายเวลาเกิดเหตุอะไรนี่ยเป็นคําอุทานอย่างหนึ่งเชิญพายพุทโธทำโมสังโคนี่ยยาวซะด้วยนะพูดด้วยความเคารพอ่ะนะอ คือเครียกว่าพวกนี้เนี่ยฝึกลักษณะกรรมนิมิตอารมณ์นะพยายามนึกถึงนิมิต ท, ที่ดีเอาไว้อ่นะเพราะว่าเหตุการณ์ขับขันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่าอาจจะจุติในเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างน้อยที่สุดใช่ไหมใจเนี่ยนึกถึงพระรัตนตรัยในขณะนั้นก็ไปดีอ่าสมัยก่อนเนี่ยต้นเขาก็ทําไม่ดีมากเลยนะเรื่องกรรมกรรมนิมิตคตินิมิตเนี่ยสมัยก่อนเขาเขา้าใจแต่ว่าสมัยนี้ประเพณีอันเดิมเดิมนั้นเนี่ยก็หายไปแล้วค่อยๆเลือนรางอย่างเช่น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 บางบางแห่งเนี่ยเอาคมทีเนี่ยมาตั้งบนต่างทองนะเสร็จ แ, แล้วอ่านทัานเด็กๆชาวมุสลิมเนี่ยเล็กๆนะพราอ่านหนังสือออกเนี่ยทุกคนเนี่ยมีคำที์ในมือหมดเขามีคำภีร์ในมือเลยเขามีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแต่ว่าพุทธศาสนาของเรานะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพูดทีคณิกายไว้สามสิบสี่สูตรมัชชิมนิกายไว้ร้อยห้าสิบสองสูต ร, ส, ตรสังยุตตนิกายเจ็ดพันเจ็ดรอยกว่าสูตรอังคุตรนิกายเก้าพันกว่าสูตร คูทกาะ น, นิกายสิบห้าคำพีจำสูตรไหนได้มัง้งจำได้สักสูตรรึเปล่าอิติปิโสภควาเอานี่ก็พร้อมเกือบสูตรหนึ่งละอ่ะอิติปิโสภควานี่ก็ยังไม่รู้กับท่านว่าอะไรของท่านใช่ไหมพอเข้าใจเต็มที่ไหมอารหังหมายเพราะว่ายังไงอารหังมีกี่ความหมายนะอารหังเนี่ยส่วนทั่วไปมีห้าความหมายในชั้นรายละเอียดท่านขยายออกมาอีกเป็นห้าก็คือส 10, 10ิบสิบกาความหมายเช่นอรหังคือไกลาจากกิเลสกาจัดข่าศึกคือกิเลส หักซีกรมแห่งสังสารจักเป็นผู้ไม่มีบาปในที่รับหรือว่าไม่ทําบาปในที่รับเป็นผู้ควรแก่สักการะหรือปัจใจสี่ที่เขานําไปบูชานี่คืออรหงังสัมมาสัมพุโทโธหมายเขา้าไวายังไงตรัสรูอริยศัสตร์ขอบเขตอริยศาสตร์ขนาดไหนอะไรเป็นอริยศาสตร์บ้างทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วมีวิธีการขยายพิสดารขนาดไหนอีกในคําว่าตรัสรูอริยศาสตร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 แต่หมายถึงสังขารธรรมนี่ก็ล็อกไว้เฉพาะชีวิตตินซีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาจะค่าจริงๆนั้นต้องมีชีวิตเป็นอารมณ์เจตนาที่พรากชีวิตของเขาใช่หมให้ชีวิตของเขาเนี่ยตกล่วงไปอ่ะทีนี้เวทนาของปานาติบาปานาติบาปมีเวทนาเป็นทุกข์ทุกข์ก็คือโทมนัสเวทนาที่ประกอบในโทษะมูลจิตเพราะฉะนั้นในขณะฆ่านั้นจิตเป็นโทะโดย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 เป็นสมาธิทิฏฐิไหมถ้าใช้คํานี้ถ้าทั่วไปแล้วใช้คํานี้เป็นสมาธิทิฏฐิไหมถ้าเป็นชั่วการนะถ้าตายเลยเนี่ยเป็นอุเฉททิฐิถ้าใช้บอกว่าไปหลับให้สบายหลับนิรันดรการเนี่ยนี่เป็นตรกูลอุเฉททิฏฐิ เ, man, like. เอาตายเลยก็ศูนย์ไปเลยเอ่ะอ้าวก็ตายชั่ว realize, นิรันดร์ก็ก็คือศูนย์นั่นเองตายชั่วนิรันดร์ก็คือศูนย์แต่ถ้าบอกว่าเอวไปเกิดใหม่ซะไปเอาไปเกิดในภพดีๆอย่างเงี้ย ก็ไม่แน่นะว่าความเข้าใจอาจจะถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่ถ้าสั่งค่าเนี่ยนะถึงจะใช้เพราะเพาะนะผมจะส่งคุณไปเทวดานะชักปืนเอาไปเลยนะเอาไอย่างนั้นก็ด้วยโทสะมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะดูดูแล้วก็ข้อสามนะครับโดยเวทนาปาณาธิบาตมีเวทนาเป็นทุกเท่านั้นคือมีโทมนัสเวทนาเท่านั้นเพราะว่าขณะที่ทาทาบาปทางกายกรรมนั้นทาโดยโทสะมูลจิตสองดวง เจนพาเช่นสมมุติว่าการไปตกปลาเงี้ยพอพอตกปลาได้เราก็รู้สึกแหมมันโสมนัส ด, ดีใจคล้ายๆอย่างนั้นนะมันคล้ายๆอย่างนั้นนะลองลองวิเคราะห์ดูนะครับเวลาเราตกปลาได้เนี่ยโธมานาหรือเปล่าแต่ไม่รู้นะแตนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจปลานาทิบาศหรือว่าเราเราเป็นตัวโลภะยังนึงไม่ออกกันนะตอนที่ตกปลาีนตั้งใจไปตกปลานี่นะก็ไม่เชิงว่าเขาไปฆ่าปลานะ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 มันไม่ตายอ่ะมันอยู่ที่ห้าพี่สังเวชอ่ะอีกคนหนึ่งเห็นแล้วสงสารจับใจเลยอ่ะทําไงน้อยชักปืนมายิงนะจะได้ตายจะได้ไม่ทรมานน้อยน้อยหน่อ ย, อยเขาบอกว่าเขายิงเนี่ยเขายิงด้วยความสงสารเขาบาปแม่อาจารย์เขาว่างี้คืออีกคนหนึ่งยิงใช่ไหมแต่เขาเขาไปด้วยกันเขาสงสารมากเลยอชนีตัวนั้นอ่ะก็เลยชักปืนมายิงเปรี้ยงเขาตามแล้วก็ถามว่าผมยังไงจะบาปไหมเนี่ยผมยิงด้วยความสงสารนะวา่ากัน อันในขณะที่เห็นแล้วสงสารเนี่ยหนึ่งขณะแต่คิดไม่อยากให้อยู่ในสภาพแบบนั้นอีกขณะหนึ่งอันคลนละขณะกันเป็นตอนตอนไปเรียกว่ากุศลขณะนั้นก็เป็นประตูให้เกิดโทสะในขณะนั้นได้นะโดยปัจจัยคือไอเหตุผลที่เราอ้างกันเนี่ยนะเราไม่เรียกว่าเจตนาอันนั้นคือเหตุผลของการกระทาของเราแต่เจตนาที่เรากาลังคิดทำคิดพูด นั่นแ่ะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้านั่นแ่ะคือเจตนาสมมตินะอ่เขารามาตอบปัญหาเนี่ยคือเจตนาในการตั้งใจพูดเนี่ยคือเจตนาที<ช>นี้ว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเหตุผลที่พูดพูดกันเนี่ยเอาเป็นประมาณไม่ได้เอาเจตนาเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเป็นประมาณทั้งที่เราเรียกว่าดูเหมือนไม่มีเจตนาก็คือไม่มีเหตุผลมามาอ้างอิงอนนะหรือจะเอาเหตุผลบางอย่างมาอ้างอิงอย่างเงี้ยคือถ้าวิถีจิตนะทางตากับทางหูอันเดียวกันไหม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 บางคนก่อนที่ทํานั้นเป็นมิจฉาทิฐิด้วยบางคนหลังทําเป็นมิจฉาทิฐิบางคนในขณะที่กําลังทําอยู่นั้นเนี่ยยินดีเรียกว่ามีฉันทะเป็นใหญ่มากบางคนเนี่ยมีวิริยะเป็นใหญ่บางคนเนี่มีการชักชวนบางคนไม่มีการชักชวนอันจะไล่เป็นขณะขณะขณะขณะไปไม่ได้กล่าวว่าเหตุผลู้เขาใช้ให้มาฆ่าอย่างเงี้นั้นเราเอาเหตุผลอย่างอื่นมาอ้างไม่ได้เพราะเจตนา น, นั้นนั้นก็คือเจตนา น, นั้นๆส่วนในวันก่อนที่กล่าวเรื่องของ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 ไปที่ที่ที่ห้างสัรพสินค้าลูกเนี่ยไปเห็นของบางอย่างโอหมันร้องไห้จะเอาอ่ะแม่ที่ฉลาดก็ทํำยังไงลูกโน่นใครอ่ะพาลูกไปเลยนั่นใครอ่ะอุ้มลูกไปเลยนะหนีไปเลยลูกก็งงไหมของก็ไม่ได้ใคมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือเบนประเด็นไะตรงนั้นก็เหมือนกันภาษารีบุตรเบนประเด็นเรื่องอให้ไปคิดเรื่องอื่นคือจิตเนี่ยนะ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 โ, โอ้ยของมีเยอะท่านเนี่ยฮะไม่ <Heights S 1> ต้องกล mm. <ễ Short body vintage> ัวหมดหรอกนี love, to enza, ่ก็ถามบอกไม่ใช่อย่างนั้นละมาเนี่ยบินถ้าบาดฉันมาแล้วเขาว่นโยมเนี่ยโกรธเลยนะกลัวเราจะไม่มีของพอหรือยังไงคล้ายๆแบบเนี้ยนะเลยบอกว่าขอบาดมาตักของใส่บาดเต็มถวายหมดเลยด้วยความโกรธนะทําด้วยความโกรธเสร็จแล้วเนี่ยก็พอเลี้ยงภาพเบ็ดเสร็จมานั่งทุกข์ใจเอ๊ะที่เราโกรธทําบาปหรือเปล่านะนั่งเสียใจก็ไปหาพระพุทธเจ้า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 อาวิชาจะได้ช่องตลอดเลยอาวิชาก็จะเกิดในอารมณ์ที่หลากหลายมากเมื่ออวิชาเนี่ยมันเกิดบ่อยๆปุ๊บเสร็จแล้วคนพออากุศลวิบากมันให้ผลเสร็จร้องหากุศลแต่แต่าอากุศลที่ทําไว้นะกลบเกลื่อนหมดทําไม่ลืมอะ่ะร้องหาแต่ผลแห่งกุศลเรียกว่าขาดความยุติธรรมใช่ไห ม, มกรรมสกรตาไม่ดีพอเพราะฉะั้นถ้าเราศึกษาเรื่องตามปับ๊บเราจะเริ่มยุติธรรมที่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกๆอารมณ์เลย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 ตจารณะเราว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงว่าอย่างไรในเรื่องนั้นๆแล้วก็ตรึกตามทำที่พระองค์ทรงสแสดงนั่นแหละในอย่างหนึ่งนะพระธรรมแสดงไว้เยอะแยะนะอ่านเรื่องนี้กุศลไม่เจริญก็ไปอ่านอีกเรื่องหนึ่งเพราะพระองค์เนี่ยปรุงยาไว้หลากหลายแต่ถ้าฟังแล้วกุศลไม่เจริญเนี่ยสแสดงว่าขนาดกินยาแล้วก็โรคมันยังกำเริบเลยนะถ้าเป็นคนไข้นะศึกษาพระธรรมแล้วโรคมันกำเริบก็เหมือนกับกินยาแล้วไข้มันขึ้นอะ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 ก็เรว่าไม่ต้องร้องเรียกหากรุณาเจตสิกจากสัตว์ทั่วไปเพราะว่าอากุศลมันให้ผลจริงๆปั๊บเนี่ยนะใครเห็นจะรังเกียจหมดเลยเขาบอกว่าถ้าบาปมันให้ผลนะไอ้ที่รักก็ชังไอ้ที่หายก็ป่วยงั้นมันก็เรียกว่ า, าผีซ้ำด้ามพลอยมีแต่วิบัติมีแต่จมจมจมจมไปเรื่อยเรืรรืยรแต่ถ้าหาว่าประโยชนค่าวิบัติ ด, ด้วยไปกันใหญ่เลยถ้าประโยชนค่าวิบัติคือกายาประโยค่าที่เป็นบาปวัจีประโยค่าที่เป็นบาป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 ท่องเที่ยวทํากรรมท่องเที่ยวรับวิบากอันวิบากที่รับเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนนะบอกให้ทําอ่ะอันวิบากกรรมชรูปเนี่ยมีตันหาเป็นสมุทัยมีตันหาเป็นปัจจัยมีตันหาเป็นนิทานพอวิบากกรรมมาชรูปเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นผลของตันหาอาศัยวิบากกรรมชรูปทําให้เกิดตันหาใหม่อีกเพื่อพบใหม่เพื่อพบใหม่อันผู้ที่สิ้นตันหาจึงสิ้นชาติสิ้นพบชาติสิ้นแล้ว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 มีมหาพูทธรูปสี่เป็นเหตุใกล้ที่อยู่ในขณะนั้นนะแล้วมหาพูทธรูปสี่เหล่านั้นนั้นมีอะไรเป็นสมุทฐานกรรมจิตอุตุและอาหารเป็นต้นเป็นสมุทฐานทีนี้ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยรูปารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณะปัจจัยของจกักขูวิญญาณเป็นปัจจัยของขันเป็นปัจจัยของนามขันทีนี้ก็พิจารณาโดยปริญญาเป็นต้นต่อไป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 โมหามูลจิตเป็นอุปนิสัยให้ฆ่าได้แต่ในขณะฆ่าสภาพจิตขณะนั้นเป็นโทสะอย่างเดียวทีนี้มูลแห่งการฆ่าปานาติบาทมีมูลสองรากเง่าแห่งความคิดในขณะฆ่ามีสองคือโทสะมูลกับโมหะมูลในขณะนั้นเนี่ยเหตุปัจจัยของของปานาติบาทได้แก่โทสะกับโมหะใช่ไหมที่จริงลักษณะวิเคราะห์แบบนี้นะ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 เป็นตัวล็อกว่าปานปฏิบา t นั้นล่วงมาทางกายทวารและวัจีทวารทางวัจีทวานนี้นอกจากจะสั่งให้เขาไปฆ่าแล้วเนี่ยยังจะมีวิธีไหนบ้งครับที่ฆ่าด้วยวาจาเนี่ยครับก็พูดให้เขาช็อกตายอย่างนี้ยคือถ้าเรารู้ว่าเราพูดคํานี้ปั๊บเนี่ยเขาต้องตายเนี่ยเราพูดคํำนี้ประสงค์ให้ตายทีนี้ต่อไปนะว่าผลของปานปฏิบาต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 ไม่เอนดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่งพร้อมสมาถานเอาไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ะที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นผลของเขาตรงๆเลยเนี่ยนะคือให้ไปสู่อบายเศษๆก็คือ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 ในคำคำเดียวนั้นเนี่ยนะบางคนฟังแล้วโกรธโกรดบางคนฟังแล้วก็เฉยเฉยพูดกับบางคนเองนะคําพูดเนี่ยโอ้บางคนฟังเออพู้ดนะีอีกคนฟังเนี่ยหน้าดําหน้าแดงอันในเรื่องของคําพูดนั้นบางคนเนี่ยที่มีอุปนิสัยแห่งแห่งปานาติบา ท, ที่เคยทําไว้นอดีจะทําให้คิดสั้น อ, อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยนะพอพออายุมามากๆหน่อยปั๊บเนี่ยมันจะคิดฆ่าตัวตาย ว่าอะไรนี่นี่หน่อยๆปั๊บเนี่ยคิดคิดฆ่าตัวตายแต่แดงว่าอุปนิสัยประเภทปานาติบาสมันให้ผลเนี่ยเพราะว่าจิตคิดฆ่าคนอื่นเนี่ยมีใช่ไหมทันความคิดในแนวเนี่ยมันกลับย้อนเข้ามาหาตัวเองได้ทันอยา่างในตาติยะปราชิกกล่าวถึงพระภิกษุที่ท่านเจริญกรรมฐานท่านเจริญกรรมฐานแล้วท่านพอเจริญอาการสามสิบสองมากๆเนี่ยนะ อุปนิสัยเก่าที่ท่านเคยเกิดเป็นนายพรานมาทําให้ท่านคิดฆ่าตัวตายเสร็จแล้วท่านก็เอาบาทจีวรเนี่ยไปจ้างคนคนหนึ่งให้ฆ่านะถ้าหากว่าเธอฆ่าฉันเสร็จเอาบาทเอาจีวรไปสมัยก่อนก็มีรับจ้างนะเอาบาทเอาจีวรเพื่อรับจ้างฆ่าสมัยโน้นโจรกระจอะกันกก น, นะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยบาทพวกบาทพวกจีวรเนี่ยเป็นของที่หายากมากแล้วก็ทําไมพระพิสุเหล่านั้นจึงยินดีในการตาย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 แต่ว่าถ้าสภาพจิตในขณะที่ที่ดุร้ายเป็นโทสะในขณะนั้น น, น, นี่ยจริงๆอ่ะจิตไม่น่าชมแเราและจิตชนิดนั้นถ้ามันให้ผลนะโอ้โหน่ากลัวที่สุดเลยถ้าหากว่าปาณาติบาตทําชั่วในพระขีนาสกเนี่ยถึงขั้นปานาติบาตมีโทษมากถึงกับเป็นอนันตริยกรรมฉันคนที่เราไปฆ่าเนี่ยแล้วแต่เราจะฆ่าใครถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์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 ช่วยปรนนิบัติพ่อแม่สามีดีทีนี้ตอนล่างหลังก็ราําคาญอยู่กับคนสูงอายุอนะอายุระเวศกับกุมาระเวศเอาอันไหนหมอเด็กกับหมอผู้ใหญ่เอาไหน <c oughs> เอากุมารเนาะเพราะฉะนั้นคนสูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็เป็นที่น่ารํำคาญของคนทั่วไปด้วยถ้าไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไข่กันจริงๆเนี่ยน้อยนักที่จะอ่ที่จะเคารพยำเกรงบางคนเนี่ยขนาด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 ตัวเองนั่นแหละปลอมเป็นโจรมาเลยทําเสียงใหม่เป็นเสียงโจรมากระทึงทุบพ่อทุบแม่บนเกวียนนั่นแหละพ่อแม่เนี่ยก็บอกว่าลูกเอ้ยหนีไปพ่อแม่แก่แล้วตายช่างมันเธอโจรก็ยังอลูกนั้นก็ยังเหี้ยมโหดนะนะก็ฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่กรรมมันั้นท่านก็ตกนรกพออายุมากๆก็ถูกฆ่าอย่างงี้มาละชาติด้วยกันมาชาติสุดท้ายแม้แต่เป็นพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายท่านก็ยังถูกฆ่า เขาบอกว่าโจนเนี่ยทุกท่านละเอียดจนกระดูกเนี่ยหักเหมือนกับข้าวสารแต่ก็ยังไม่ตายท่านก็ประสานกระดูกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วจึงจะดับขันปริณิพานธั้นกรรมมันให้ผลแล้วทีนี้พิกสูรทั้งหลายก็บอกโอ้พระโมคคลลานะเนี่ยปริณิพานไม่สมเลยเขาว่าไงพระพุทธเจ้าบอกสมนะสมกับกรรมอ่ะนะแกว่าดูในตอนนี้ดูเหมือนไม่ยุติธรรมแต่ถ้ามองกรรมในอดีตไกลๆนู้นยุติธรรมมากานะ อ, องค์ก็ไม่ได้ว่าอะไรห อ, องค์ก็บอกมันก็ยุติธรรมแล้วนะตามหลักกรรมอะ่ะโผพระ อ, องค์ยังปวดศีราเลยใช่ไหมกรรมมันไม่เลี้ยงใครหรอกมันไม่นับถือใครนะถ้าเจตนาเหล่านั้นไม่บัตดเคยมีใน เ, เรื่องหนึ่งมีอุบาศกคนหนึ่งมาฟังธรรมฟังธรรมทั้งคืนกลับไปเนี่ยถูกพระราชาไปตัดหัวเลยเราก็บอกเอ๊ะมันไม่ยุติธรรมนี่อย่างงี้ใช่ไหมก็บอกว่าอุบาศกคนนี้เนี่ยในอดีตชาติเนี่ยเคยเป็นคนรับส่งคนเนี่ยข้ามไา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 ศึกษามีกียางสามอย่างคืออธิศีละสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขากายกรรมอย่างไรจึงจะเป็นศีลสิกขาวจีกรรมอย่างไรจึงจะเป็นศีละสิกขามโนกรรมอย่างไรจึงจะเป็นจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาฉันพยายามศึกษาสิกขาสามในศาสนานี้เถอะจนองค์ุลิมานยังค้นทุกข์ได้เลยนะของเราก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้น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 อรยิยมรรคมีทุกขเวทนาเกิดร่วมด้วยไหมไม่มีพระองค์สอนเรื่องทุกจริงอยู่แต่สอนให้ทุกควรกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามสมุทยัยซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งทุกเนี่ยสอนให้ละโดยประการทั้งปวงดังนั้นการละก็ละได้ได้หลายระดับด้วยกันละด้วยอะไรบ้างละชั้นต้นๆก็คือวิขัมภณะประหารตะทางฆ่าประหารจนถึงละด้วยสมุดเชท่าประหาร การทำให้แจ้งคือนิโรธฮันต้องทำให้แจ้งทุกข์กับสมุทัยมากเท่าไหร่ทำให้แจ้งจนถึงที่สุดนั่นแหละจนถึงความไม่เป็นปลายแห่งสมุทัยและทุกข์เชื่อว่านิโรธอรรยมรรคมีองค์แปดนั้นก็ควรเจริญพอกพูนอันผู้ที่ตรัสรู้อริยศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันปึ๊บกรรมเหล่านี้นะกรรมที่ให้ผลไปในอบายเนี่ยนะไม่ให้ผลอีกเลย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 บาปที่ที่นำปฏิสนธิจะไม่ให้ผลอีกแล้วทีนี้ต่อไปอีกนะว่าพอพระโมคคลานะเนี่ยถูกฆ่าอย่างนี้แล้วโจรก็ก็ถูกฆ่าคืนตอนหลังพระราชาก็สืบได้ว่าโจรกลุ่มนี้ไปฆ่าเมื่อฆ่าเสร็จโจรกลุ่มนั้นก็ถูกพระราชาเนี่ยฆ่าหมดเปรี้ยงเลยสังฆาพระราชาเนี่ยบางทีก็สวยเหมือนกันนะผู้รักษาโลกนะใครเคยฟังพระเตมีใบมั้ง เป็นพระราชาอยู่ยี่สิบปีตกนรกเท่าไหร่แปดหมืนปีเองตกนรกแค่แปดหมื่นปีนะเป็นพระราชาตั้งยี่สิบปีเลยอ่ะเห็นไหไม่ใช่พระเตมีใบสงังฆาเนี่ยจาที่มาไม่ได้ว่าเรื่องเกิดที่เมืองไหนกษัตริย์เมืองนั้นแหละเจนผญพระโมคลานะถูกฆ่านี่จาไม่ได้ว่าเมืองไหนกษัตริย์เมืองนั้นแหละสงังฆา พระเาชาติศัตรูนี่ก็สังฆ่ามไม่ใช่น้อยเหมือนกันพระเจ้าเประเซ็นนี่ก็ไม่เบาเพันคนที่กุศลวลบากให้ผลเกิดในตระกูลสูงมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อเป็นใหญ่เป็นโตแล้วที่จะไม่เอาอความเป็นใหญ่เป็นโตเหล่านั้นมาทําบาปทําอกุศลเนี่ยมีน้อยนะมีน้อยมากส่วนใหญ่ก็เอาความเป็นใหญ่เป็นโตนั้นเนี่ยมานะก็เพิ่มพูนบาปอากุศลธรรมก็เพิ่มพูนมากขึ้น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 ส่วนพระนาคามีนั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยสมาธิยังไงฌานท่านไม่เสื่อมแน่นอะพระนาคามีเนี่ยฌานไม่เสริมนะไม่มีกิเลสอะไรที่เป็นเหตุให้ฌานท่านเสื่อมได้ส่วนพระอรหันต์เนี่ยไม่มีเสริมแค่อย่างเลยเป็นผู้คงที่ในที่ทุกสถานไม่ฟูไม่ยุบไม่ฟูขึ้นไม่ยุบลงมั่นคงตลอดกาลอ่ะนะหลังจากที่ถูกสังฆาแล้วเรื่องราวก็ถึงพระผู้มีพระภาค พ, พ อ, องก็เลยแสดงธรรมว่า ผู้ใดประทุสร้ายในท่านผู้ไม่ประทุสร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาทยาโดยด้วยอาทยาย่อมถึงฐานะสิบอย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียวไปทํากับคนมีคุณมากบาปมันจะให้ผลทันทีเลยสิบอย่างอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือหนึ่งถึงเวทนากล้าสองความเสื่อมทรัพย์ไปฆ่าคนที่มีคุณธรรมบางทีถูกข้าวฟองร้องเสียหายทรัพย์สินเลยเนะีหรือว่าความสลายแห่งสรีระ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 ความเสียหายแห่งโภคทรัพย์สินเสียหายแล้วก็สิบสุดท้ายก็คือไฟป่าย่อมไม่เรือนของเขาผู้มีปัญญาสามเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงนรกเหมือนกับเจ้าวิทูตภาเนี่ยวิทูตภาพเนี่ยพอฆ่าสักยะเสษขาเรียกว่าฆ่าเกือบล้างบางเลยนะใครที่พูดว่าตัวเองเป็นสักยะเนี่ยเจ้าวิทูตภาเนี่ยสั่งฆ่าหมดเลี่ยง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 ยกตอนให้พ้นจากสังสารทุกเนี่ยเมื่อไร่นอะนะนับไปเถอะนรกเนี่ยอย่าไปนับเ ป, ป็นปีๆเลยคือปีเราเนี่ยมันพูดยา ก, กนั้นก็บอกว่ามีนรกอย่างเช่นในโลหะกุมพีนรกนะก็เหมือนกับเราต้มต้มข้าวนะต้ม อ, อะไรแนละ้วมันลอยขึ้นข้างบนลอยลงข้างล่างเนี่ยจากข้างบนลอยก็เรียกว่าจมลงเนี่ยสามหมื่นปีโล่ขึ้นมาอีกสามหมื่นปีโผล่กันมาพูดกันคนละคำว่าทุสะนโสนานั่นะนะได้ยินนะ ผู้ได้คนละคำนั้นนั่นเองแล้วก็จมลงไปอีกจมลงไปอีกสามมือเนี่ยแล้วโผล่ไม่ไม่ต้องถามหาที่สุดว่ามันเมื่อไหร่เจ้าัระเจ้า ว, วิทูตภักผูกเหยียดยามอย่างไ ร, ร้ทรงนั่นไห<ม>ก็คือตอนที่ไปที่เมืองกบิลพัชเนี่ยจะไปไหว้ตาจะไปกราบพระเจ้าตานะไปก็ตัวเองเนี่ยไปไหว้หมดเลยทีนี้ว่าไอ้คนอายุน้อยที่สุดเนี่ยสักยาะเนี่ยคัดเอาเด็กที่อายุน้อยกว่าเจ้า ว, วิทูตภักให้ไปอยู่ที่อื่นหมด เพื่อที่จะไม่ให้สักยะไหว้เจ้าวิธูตภะเรียกว่ามีมานะสักยะนี่ก็ทํากับเจ้าวิธูตภะเกินเหตุเหมือนกันทําเกินเหตุเกินไปเหมือนกันมานะมันมากอ่ะนะทีนี้เจ้าวิธูตภานี่ก็ได้เลือดเนื้อเชื้อไขามาก็เลยมานะอีกนั่นแหละข่าสักยะเกือบเกลี้ยงเนี่ยเชื่อว่าเรียกว่าเหตุเก่านี้บุญประเภทอ่อนน้อมอ่ะบุญประเภทอ่อนน้อมเนี่ยทําให้เกิดในตระกูลสูง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 พอเป็นพระพุทธเจ้าจะกลับเมืองก บ, บิลพัทเนี่ยน ะ, ะสักยะนี่ยวางแผนต้อนรับพระพุทธเจ้านะให้พวกหนุ่มๆเด็กๆ เ, เนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามาแก่ๆอยู่ข้างหลังจะได้ไม่ต้องยกมือไหววางแผนหมดนี้พระองค์ก็พิจารณาดูโอ้โหสักยะเนี่ยมาหน้ขนาดนี้เลยเหรอก็องก็เลยต้องเหาะไงแสดงย ม, มกปาฏิหารเหมือนกับโปรยทุรีเนี่ยลงบนศีต่าให้สักยะเนี่ยได้ไหวอ่ะเสร็จแล้วพระองค์ก็เกิดฝนตกลงมาก็แสดงมหาเวสสันดรชานตกคะ นะว่าฝนแบบนี้เคยตกแล้วมั้งดันั้นกลุ่มที่สะสมอัธยาศัยแบบนั้นมาก็ก็โน้มเอียงที่จะมีมาหน้านะแต่ในอดีตชาติเนี่ยสมัยเกิดเป็นคนเบื่อปลารำมาหากินอย่างนั้นสแสดงเขก็ไม่ได้เป็นกรรษัตริย์มาตลอดดังนัในจิตตสามภูตชาดกเนี่ยกล่าวถึงพระโพธิสัตว์สมัยที่เกิดเป็นจันทรทานเพราะโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นจันทรานพอเรียนศิลปะของนักจันทรทานเสร็จก็มาสแสดง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 ล้างจังไรวะนั้นล้างความสวยออกไปกลับไปคนที่ติดตามไปเนี่ยเกลียดไอเด็กสองคนเนี่ยมากก็เลยถูกทุบตีถูกทุบตีเนี่ยก็บอบช้ำแล้วกว่าจะเติบโตมาเนี่ยก็โตด้วยนมสุนัขเวลาแม่เนี่ยให้กินนมเสร็จก็ปล่อยให้อยู่กับลูกหมาบ้างแม่หมาบ้างที่หิวมากมากก็กินนมหมานั่นแหล ะ, จะเจริญเติบโตมาหลังจากนั้นก็ไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อไปเรียนศิลปะปลอมตัวเป็นพราหมณ์ตอนหลังก็ถูกเขาจับได้ ก็ออกบวชเป็นฤาษีพอบวชอยู่ไม่นานตายแล้วไปเกิดเป็นเนื้อฤาษีทั้งคู่เนี่ยไปเกิดเป็นเนื้อเหมือนกับพวกกวางพวกละมังเนี่ยทีนี้เป็นเนื้อที่รักกันมากยืนเคียงคู่กันในพรานก็เลยเอาห อ, อกมาจิ้มทีเดียวตายทั้งคู่เลยตายจากเนื้อมาเกิดเป็นนกเขาทั้งคู่อกีกเป็นนกเขากําลังคลอเคลียอยู่กับนกเขาทั้งคู่นั่นแหละแล้วก็ตายนกเขาตัวงไปเกิดเป็นลูกของปุโรหิต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 แต่แล้วตอนหลังก็พระราชาเนี่ยก็หมกมุ่นแต่ก็คี้ถึงคนที่ที่เป็นญาติกันนะนะสมัยที่เกิดเป็นจันทันเหมือนกันตอนหลังเนี่ยฤาษีนี่ก็มาเตือนเวลาเธอเป็นกษัตริย์นะกิเลสมานะมันเกิดนึกไว้เสมอว่าเมื่อก่อนเราเคยกินนมสุนัข ก, กันนะเคยเกิดเป็นจันทันอย่าลืมชาติกําเนิดเก่าของเรานะแนะนําอย่าให้ลืมภูมิหลังนะว่าวันนี้เนี่ยคนทั่วไปเขายกย่องว่าเป็นกษัตริย์ แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยเป็นจันทานบยางนั้นอยู่ในเมืองอุเชนีนู่ น, นไปที่ไหนเนี่ยใครเห็นใครก็รังเกียจอันก็เวลากุศลมันให้ผลเนี่ยก็ขึ้นสูงเลยนะอกุศลมันให้ผลกบวัดลงมาอันสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพออยู่ในสังสารวัตรเนี่ยไม่ว่าจะเกิดดีสูงต่ําขนาดไหนก็เป็นที่พักชั่วคราวมันไม่มีอลายถาวรสักอย่างหนึ่งอันผลของกุศลแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมั่นคงไหมงอนเง่นเต็มทีแล้วนะจากสี่ทวารเก้าเนี่ยงอนเงีนงอนเงีนแล้วนะ รอมนอรอมน อ, น อ, นอจะไปวันไหนก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าหากว่างดเว้นจากปานาติบาปปานาติปาตาปฏิวิรตโตมีศีลข้อนี้นะสมาทานเพื่อที่งดเว้นจากปาน า, าติบาปความว่าเป็นผู้งดเว้นคือตั้งอยู่ไกลจากปาน า, าติบาปเพราะการสมาทานศิษย์าบทสมาทานที่จะประพฤติศึกษาเพื่อที่จะงดเว้นจากการการฆ่าเพราะฉะนั้นศีลข้อปาณ า, าติบาป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 ไม่ได้เกิดตลอดเวลาเกิดเป็นพักๆนะนเกิดเป็นพักๆแต่เมื่อว่าโดยเทศนาเทศนาก็คือในปุตตสูตรเนี่ยนะมาแล้วด้วยสามารถแห่งวิรัตอันงดเว้นจากปาณาติบาตใช่ไมในในพุทธพจน์กล่าวว่าปาณาติปาตาปฏิวิรตุเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เจตนามุ่งเอาที่วิรัตไม้เอาที่วีระตีวีระตีนั้นเกิดร่วมกับมหากุศลจิตเท่านั้น แล้วเป็นเจตสิกที่เกิดไม่แน่นอนนะไม่ใช่กุศลจิตเกิดแล้ววีระตีเกิดทุกครั้งวีระตีไม่ได้เกิดทุกครั้งเกิดเป็นขณะขณะไปขณะไหนบ้างก็คือวิรัติของผู้ที่งดเว้นจากปานาติบาต ท, ที่ประกอบด้วยกุศลจิตที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าในสมัยนั้นวิรัตนั้นได้แก่การงดเว้นจากปาณาติบาต ท, ที่เกิดขึ้นในมหากุศนลนะนะ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 สัมปะตะวิรัตเช่นบางคนเนี่ยไม่ได้สมาทานศีล น, นะแต่ว่าจะไปลักขโมยนี่มันจะทำได้ยังไงมันไม่เหมาะสมกับคนชาติตกลกูลระดับเราปรารบชาตระกูลเสร็จแล้วก็ไม่ไม่ลักขโมยไม่ผิดศีลข้อใดก็ตามอันนี้ชื่อว่าสัมปะตะวิรัตหรือพิจารณา อ, อายุปูนี้แล้วอ่ะไปล่วงศีลล่วมธรรมได้ยังไงไอเ้เด็กๆเขาอันนี้ขณะนั้นก็เป็นเป็นศีลโดยพิจารณาัย อันนะั้โอ้ศึกษามาขนาดนี้แล้วนะไปทําตัวอย่างนั้นได้ยังไงไปกินเหล้าเมายายา่ำแปะอยู่อย่างนั้นได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นลักษณะของสัมปตาวิรัตเหมือนกันอันการที่พิจารณาชาติวัยหรือว่าหูสูตรเป็นต้นนะนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ล่วงละเมิดในการฆ่าเป็นต้นอนะ่ะอันนั้นชื่อว่าสัมปตาวิรัตความคิดอันนี้เกิดบ่อยไหมมีบ้างอนะนะ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 ถ้าหากว่าปานาติบาเจตนาในการฆ่ามีอะไรเป็นอารมณ์กุศลจิตที่งดเวน้นก็มีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ด้วยนะว่าเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตเจตนาที่สมท า, านเป็นต้นก็ต้องมีสิ่งมีชีวิตเป็นอารมณ์ด้วยไม่ใช่ปานาติปาตานั่งส ป, ปงบ ง, กงอกเงยกไปนั่นก็ไม่ใช่เลยนะอันนี้ก็ได้เอาว่าตามตา ม, ตามกันมาว่าตามตามกันอาจจะไม่ใช่ศีล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 สมมติว่ายุงมากัดจะฆ่าก็ได้จะเว้นก็ได้เอาอันไหนดีถ้าเฮเรโอตปาปะเกิดขึ้นก็โอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยนะเจ้าคงประมาทแน่นอนเลยแหละเจ้าจึงได้มาเกิดเป็นยุงฉันเองก็เหมือนกันนะะถ้าฉันปล่อยจิตให้คิดฆ่าแกเป็นต้นเนี่ยนะไม่นานอาจจะได้ไปเกิดเป็นญาติญาติเป็นลูกๆูกลูหลานแกนแั่นแหละเกิดโอตปาปะขึ้น่นะกลัวผลของกรรมนี้ก็งดเว้นไป แต่บางคนก็อายเรอะศึกษาธรรมะมาอย่างนี้ยังจะฆ่าอีกเลยทาอะไรก็ไม่ได้สักอย่างอันนี้ก็เรียกว่ามีหีเรเกิดขึ้นแต่ถ้าศึกษาเรื่องกรรมดีๆโอตปะจะเกิดปล่อยเกิดบ่อยๆจะได้ระลึกถึงได้นะคือถ้าหากว่าคนที่ปรารบศีลบ่อยๆแล้วรักษาศีลได้เวลานึกถึงจะปลื้มใจแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สมาทานไม่ได้อะไรเลยนะนึกถึงยังไงก็ไม่สบายใจเพราะว่า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 บางท่านเนี่ยนะเ่าว่าก่อนนอนก็สมาทานทิ้งตื่นเช้ามาก็ตั้งใจว่าวันนี้จะเอาสินให้ดีๆสักริงคิดเช้าเย็นอย่างเงี้ยก็ได้ใครคิดอย่างเงี้บ้างยกมือขึ้นโอ้สาธาุเจริญพรวันก่อนนี้คุณบุญชูนะเขามาถึงมีคนชวนคุยบางเรื่องอนะบอกวันนี้ผมสมาทานการใช้บาจามาครับเขาว่าเ <c oughs> ้อไงรักษาไว้เนี่สาธาุโมทนาด้วยออย่างเงี้ยเจริญไม่มากมากดี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 อนาปาณสติเนี่ยหายใจเข้าฮึดสองฮึดเท่านะั้นที่เหลือคิดเรื่องอื่นหมดเลยฟุ้งหมดเนละบางคนนะ่นับหนึ่งหนึ่งสองสอ ง, สอ ง, สองเอองานนั้นจะเป็นยังไงวะอ้าวหนึ่งสองสองลสลับมั่วแล้วนี่หมดเลยนะแม้แต่กุศลชั้นอื่นๆอีกนะถ้าอนุสติเกิดยากพรมิหารเนี่ยนะก็เกิดยากอีกเหมือนกันถ้าหากว่าจิตเป็นไปกับโลภโทสะเนี่ยคนโกรธหรือว่าคนโลภย่อมไม่รู้อัถะไม่รู้ธรรมะ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 รูปหยาบที่พระผู้มีพระภาคทรงสอนให้พิจารณาก็คือส่วนใหญ่แล้วก็เช่นตาสีหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโตภตพภะกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บคือฟันคือหนังคือเนื้อคือเอ็นเป็นต้นนั่นเองก็พิจารณาเ น, นี่ยทั้งหมดคือรูป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 รูปบางอย่างเป็นที่อาศัยเกิดของจิตเช่นจะขูก่กับสีจะขู่เป็นที่อาศัยเกิดของจะขู่วิญญาณสีก็เป็นอารมณะปัจจัยของจะขู่วิญญาณนะวินิจฉัยแบบนี้เป็นต้นไปก็เป็นลักษณะของยาตะปริญญาทัานถ้าไม่สบายใจจริงๆอะ่ะให้ไปอยู่คนเดียวนั่งคิดเรื่องนี้ดูสิคิดนะรูปเวทนาสัญญาเอ้ยวันก่อนนี่อาจารย์เขาว่างเลยนะไอ้คานั้นอนะ่ะ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 ประกอบด้วยวินิโพคารูปเท่านั้นเองวินิโพคารูปอันนี้เนี่ยสีแบบนี้นะถ้าในเนี้ยยังมีน้ําหล่อเลี้ยงไปต้นก็ยังจะสดได้อีกมานหน่อยแต่ถ้าหากว่าปจัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติความงามนี้เหลือไหมเช่นเอาน้ําร้อนมาตั้งไว้ข้างล่างเนี่ยแล้วก็เหี่ยวหมดแล้วนะนั้นเนี่คือธรรมชาติของสีถ้าหากว่าสีเนี่ยเปลี่ยนจากขู่เราก็หนึ่งสีต่อหนึ่งนั่นแหละแล้วก็พิจารณาเพื่อ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 ส่วนใหญ่นะในคัมพี์ท่านบอกว่าเนื่องด้วยมหาภูตารูปสี่ตาเห็นเนี่ยนะถ้ามหาภูตารูปอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติดูสิชีวิตนี้ก็วิบัติไปด้วยถ้าอาหารวิบัติตานี้ก็วิบัติไปด้วยถ้าจิตมีปัญหาตาก็มีปัญหาด้วยนั่นก็คือกรรมจิตดูตัวอาหารนั่นเองแต่ว่าสัมนวนพระสูตรจะจะใช้อีกอีกคำหนึ่งเมื่อจะขู่เหล่านี้เนี่ยซึ่งเกิดด้วยปัจจยัยถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งวิบัติไปจิตเห็นก็ต้อง วิบัติไปตามปัจจัยของเขาถามว่ารู้อันนี้พอหรือยังทํายังไงต่อวิจัยว่าไงอ้าวที่ว่าก็ว่าไปแล้วเมื่อกี้ไงไอเหตุที่ว่าเนี่ยถ้าจะต่ออีกเนี่ยจะทํายังไงอาจารย์เหมืนั้นเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่ากล่าวโดยยาตะปริญญานะปริญญาต้องสามต่อไปปริญญาข้อที่สองก็คือตีรณปริญญาพิจารณาอย่างไรพิจารณาจากขู่เนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์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 เรียกว่าละสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสทิฏฐิวิปลาสได้นะโดยแต่ทางข้าพระพนะันธุั้นการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าพระอรหันต์ศึกษาจบแล้วเออพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันเป็นการศึกษาอย่างไรศึกษาอย่างไรขณะนั้นๆเนี่ยนะคนที่เจริญนั้นต้องศีลษะศีรษะมามาดีแล้วใช่ไหมจึงจะปารบอย่างนี้บ่อย เมื่อปารลบนี้ก็เป็นลักษณะของปัญญาสิกขาันถ้าหากว่าความสงบไม่มีระดับหนึ่งจริงๆอ่แน่นอนว่าคิดไม่ได้แน่นอนเชื่อเพานันสูตรนี้ขึ้นต้นว่าภิกษุผู้มีศีลควรกระทำธรรมะเหล่าใดไว้ในใจโดยอุบายอันแยบขายสมบูรณ์ทุกอย่างเลยภิกษุต้องมีศีลก่อนนะแล้วก็ทำโดยความไม่เที่ยงใช่ไหม โดยดุดจะนะไม่ใช่แบบโดยเช่นโดยดุดจะเป็นลูกศรโดยดุดจะเป็นโรคนะไม่ใช่แบบไม่ไม่เห็นเป็นโรคจริงๆคือพยัญชนะก็สมบูรณ์หัตถะก็สมบูรณ์คำว่าดุดก็แปลว่าเหมือนเหมือนอย่างว่าเหมือนอย่างว่าอุปมาเหมือนกับสิ่งนั้นๆอนะสมมติว่าเป็นเหมือนกับลูกศรเนี่ยมันเสียดแทงมันเสียดแทงอย่างไรเสียดแทงยังไง คือตัวของจักรุเองเนี่ยสมมตินะอุอปทานขันธหรูปรูปูปทานได้แก่จักรุเนี่ยตัวจักรุเองเนี่ยนะเสียบแทงไปด้วยชาติชราพยาธิโครคภัยไข้เจ็บในตัวข้องเข้ามากมายมาตาลแล้ววิบัติเรียกว่ามรณะทั้นความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่พิจารณาตรงนั้นคือสาระนะตัวจักรุไม่ใช่สาระจริงๆ ตัวความรู้ที่เกิดจากการพิจารณานั่นแหละเป็นการศึกษาทีนี้พอศึกษาพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าเรียกว่าธรรมวิจยะสามโพชฌงธรรมวิจยะสามโพชฌงมีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าธรรมวิจยะสามโพชฌงมีอยู่ณภายในจิตเมื่อธรรมวิจยะสามโพชฌงไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ว่าธรรมวิจยะสามโพชฌงไม่มีอยู่ณภายในจิต ธรรมว <us oto réussi> ิจยะสามพ่อชงเนี่ยนะที่ย <native> <increase ind> ังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสามพ่อชงที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยที่สุดในธรรมวิไนัยนี้ก็พิจารณาที่ว่าเนี่ยนะทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายและภายนอกทั้งความเกิดและความเสื่อมความเกิดของปัญญาเนี่เพราะอะไรเกิดปัญญาจึงเกิด เพราะโยนิสโสเกิดปัญญาจึงเกิดทําไมปัญญาจึงเสื่อม <c oughs> เพราะหมดโยนิสโสปัญญาก็ไม่เกิดอีกแล้ว <c oughs> ทําไมน้ําจึงแข็งเพราะอุตุบริบูรณ์ใช่ไหมก็แข็งเลยถ้าทําไมน้ํามันจึงละลายเป็นแบบนี้เพราะปัจจัยปัญญาก็เหมือนกันเพราะมีปัจจัยปัญญาก็เกิดนะโยนิสโสมณัิการนั่นเองเป็นปัจจัยของปัญญา <c oughs> อะไรเป็นอาหารของโยนิสโสก็มีตั้งแต ครบสัตบุรุษฟังธรรมเกิดศรัทธายิ่งเกิดใช้ปากไล่ ย, ยาวเลยไนะล่ ย, ยาวตั้งแต่คบสัตบุรุษแสดงว่าโอ้อาหารของปัญญานี่มาไหมฟังธรรมเ<ะ>จตนาแล้วเกิดศรัทธาเจตนาจึงเกิดโยนิโสใช่ไหมแล้วธรรมะวิทยะสามโพธิชงจะ บ, บริบูรณ์ที่ไหนที่สุดเลยเนี่ยโอ้ใจแบบใจแบบไหนอรหัตตมรักจะ บ, บริบูรณ์จริงๆในอรหัตตมรักษ น, นู่น อ๋อแต่แปลว่าต้องเดินทางอีกนะแต่ที่นี้ในขณะเดียวกันนะในชั้นของการศึกษาเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ใ ห, ให้เพียงพอนะมันเป็นวิชาที่แปลกมากวิชาที่คนปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องรู้เลยคือส่วนใหญ่คือธรรมะลองค้าขายนะถ้าตอบอะไรไม่ได้เหมือนกับพิจารณาธรรมะอย่างเงี้ยนะรับรองเนี่ยพับเสื่อกลับบ้านหมดแน่ห้าสตางสองสตางยังนม่ออกเลยนะ ตอนแต่ตังไม่ถูกทีเราสองลำพันธ์นี่กับเจงแนละ้บริษัทเนี่เตรียมแก็บพับเสือแนละ้แต่ธรรมะเนี่ยเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเรากลับคนไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็มุ่งปฏิบัติด้วยนะจะปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะเขาเรียกว่าทำมังสรารนางข้าฉามีเบื้องต้นก็ไม่ชัดเจนนี่ก็เป็นโทษของวัฏตะอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวผมถามท่านอีกนิดหนึ่งสําหรับสูตรนี้นี่นะครับ ถ้าท่านกล่าวถึงพระอาหารหันเนี่ยซึ่งเสรกิจแล้วเนี่ยท่านก็มีอุปาทานขันห้าไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาเนี่ยเพื่อเป็นสุขาวิหารธรรมของท่านใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อสติกับสัพพัญญาด้วยนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นไปก่อนนะครับก็อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าสำหรับภิกษุผู้มีศีลเอาว่ารวมพวกเราวังเถอะผู้มีศีลถ้ายัางอุบาสกอุบาสิ ก, กาผู้มีศีล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 กิจของทุกขาริยสั์ก็คือการกาหนดรู้ทีนี้ว่าตัวปริญญาเนี่ยนะยาตาปริญญาก็เพื่อตีรณะปริญญาเพราะยาตะปริญญายาตาปริญญาได้สองวิสุทธิคือทิถิวิสุทธิกับกังขาวิตรณะวิสุทธิแล้วก็ตีรณะปริญญาก็จะได้มัคขามัคคยาณทัศนวิสุทธิและก็ตั้งแต่ปหานะปริญญาก็เป็น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 แล้วก็ยังมีมหาภูตรูปนั่นแหละอยู่ในนั้นเน่ยเป็นคนผู้เหมือนกับผู้สงสนารเขาบอกงั้นมหาภูตรูปนั้นเน่ยเป็นผู้สงสนารดูแลอย่างนี้เลยความเข้าใจอันนี้เราควรเจริญให้มากๆอย่างน้อยที่สุดให้จําให้ได้กว่าทีนี้พอจําได้แล้วก็พิจารณาบ่อยๆถ้าพิจารณาไม่ออกนะทําใจให้สบายอย่างเดียวทีนี้ถ้าทําใจให้สบายนี่ทํายังไงยังจะสบายคิดถึงสีสวยๆเนี่ยใจสบายไหมขนาดนั้น นึกถึงของชอบเลยนะมันไม่ไม่ไม่ส บ, บายนะมันตุบตับ ต, ตุบตับก๋วยเตี๋ยวตะลันนั้นอร่อยจริงเลยนะนึกอย่างงี้สบายใจไหมไม่ส บ, บายเลยนะออืต้องไปกินให้ได้อย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ชื่อว่าทําใจให้สบายนะทําใจให้สบายก็คือสปายะนั่นเองอารอมณ์อะไราที่เป็นสปายะต่อกุศลจิตก็เจริญกุศลนั้นๆให้กุศลจิตเกิดแล้วก็มาพิจารณาเรื่องนี้ใหม่พิจารณาใหม่แค่ว่าช่วงไหนมือสั่นนะอย่าเพิ่งร้อยเข็ม ให้มันให้มันหายสั่นหน่อยแล้วค่อยร้อยใหม่มาถ้ามันแตกมากก็เอาน้ำเจือเจือหน่อยค่อยร้อยใหม่รีบได้ไหมไม่ได้แต่ช้าเอกก็ไม่ใช่แฉเอกก็ไม่ใช่นะก็บอกว่ า, าการเจริญกุศลธรรมเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวเขาจะเรียกว่าปรับอินทรีย์ต้องมีความสมดุลกันมีความสม่ําเสมอกันถ้าศรัทธาอ่อนไปก็แสดงว่าในขณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทราบซึ่งในคุณของพระตัตนาไตร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 จนกว่าเขาจะสมัครสมานสามัคคีกันเขาเรียกว่ามัคคสัมังคีเขาจึงจะทํากิจประหารกิเลสได้แต่ถ้าเขาไม่ค่อยสมังคีกันเลยนะปัญญาบอกเฮ้ยอย่าไปศรัทธามากเลยเว้ยสมาธิก็บอกว่าเอ oh, ้สงบสงบหน่อยปัญญาก็บอกแหมเอ า, น, านะานะวิริยะก็เถีวงกันใหญ่เลยถ้าอย่างนี้แสดงมันมีปัญหานะแล้วนะปัญญาบอกแค่นี้ก็พอแล้วปัญญาบอกแค่นี้ก็พอไอ้ปัญญาจริงหรือเปล่าเนาะ <laughs> <laughs> ดูน่าจะเป็นโกสัศธานะ <laughs> <laughs> หรืออวิชามันบอกบอกันอย่างนั้น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 สังเวกขวัตถุในตัวเองเนอะตายแน่มีความตายเป็นธรรมดาไม่หล่วงพน้นความตายไปได้ อ, อย่างนี้ก็ดีเอาพุทธพจน์ไปสักคำหนึ่งอย่างนี้นะเรามีกรรมเป็นของขอ ง, ของตอนไปตามกรรมของเรากันแล้วกันแล้วใครจะหน้าสงสารที่สุดในโลกเนี่ยใครหน้าสงสารที่สุดคนที่มีอกุศลเนาะหน้าสงสารจริงๆริงเลยทีนี้ต่ยหน่อยนะว่าเวทนาของการงดเว้นจากปานาติบาต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 ปฏิวิรโตปานาติปาตาปฏิวิรโตนี่ต่อไปนะโดยมูลน่ะวิจัยโดยมูลว่ากุศลธรรมเหล่านี้ของผู้ที่งดเว้นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยยานมีมูลสามด้วยสามารถแห่งอะโลภาอะโทสะอโมหะของผู้ที่งดเว้นด้วยยาณสัมปยุตนะนะถ้าผู้ที่พิจารณาสมาทานงดเว้นจากปานาติบาหรือสัมปะตะ จากปนานาติบาดด้วยยาณสัมปยุต์ก็มีมูลสามคืออะโลพาอะโทสะและอะโมหะนี้เป็นเหตุป oh ัจจัยเหตุปัจจโยปัจจัยต่อไปอะไรอารามณะปัจจัยโยเออแล้วอารามณะปัจจัยของการกุศเวนจากปนานาติบาได้แก่ไม่แก่อะไรชีวิตติณสีอ่แสดงว่าใช้ได้แล้วแสดงว่าเกียรตถอยได้ก็ใช้ได้แล้วตีจะจะดูแต่ข้างหน้าไปเรื่อยๆนะถอยหลังไม่ได้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 ทั้งโดยลัคนาที่จตุกะโดยประเภทโดยปัจจัยเนี่ยรู้มดแหละนั่นแหละการศึกษาพวกนี้ก็เหมือนกันเราต้องรีบไม่ได้เพราะว่าศึกษาพระธรรมนะั้นศึกษาด้วยกุศล จ, จิต <c oughs> ถ้าไม่ถามก็จําได้นะลองใช้ปฏิภาณดูถ้าเกิดไปไปหาเพื่อนเพื่อนแนละ้วเขาถามเนี่ยจะเล่าให้เขาังได้ยังไงฮะก็บอกบางท่านก็บอกถ้าไม่เห็นหน้าอาจารย์ก็ตอบไม่ยากแล้วเพราะงั้นต่อไปนะว่าโดยกรรมอ่ะนะ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 เป็นเอกกัตชาตเนี่ยก็คือสมาทานรวมเหมือนกันหรือปัจเจกะก็คือสมาทานเป็นข้อข้อก็ย่อมเป็นอันสมาทานแลว้วโดยการขาดนะโดยการขาดศีลข้อนี้ก็คือสําหรับเครหัส่าทั้งหลายสิกขาบทใดที่ล่วงเกินแล้วจะขาดเฉพาะสิกขาบทนั้นเฉพาะข้อข้อไปส่วนสิกขาบทนอก น, นี้ไม่ขาดถามว่าทําไมอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเครือข่ายทั้งหลายมีศีลไม่เกี่ยวเนื่องกัน ก็คือสมาทานเป็นข้อๆไปรับเฉพาะศีขาบทที่สา ม, มารถรักษาได้เท่านั้นส่วนบนรรพชิตแม้ล่วงละเมิดศีขาบทเดียวก็ขาดทั้งหมดอันนี้นะสํสำหรับสมณเณรถ้าถ้าเป็นเณรเน้อยเนี่ยนะตบยุงทีเดียวเนี่ยร่วงเลยเหลือแต่ผ้าประราชิกนะเณรเนี่ยศีนหนึ่งถึงห้าเนี่ ย, ยถือว่าเป็นประราชิกของสมณเณรถ้าหากว่าไม่สมาทานศีนก็ ก, ก็ลาบากละ ทีนี้ต่อไปว่าอันนี้สองของการรักษาศีลนี่คงเป็นวัน ต, ต่อต่อไปนะอันนี้สงดูนะว่าโหถ้าสมาทานศีลข้อหนึ่งรักษาดีดด้วยกุศลเจตนาเนี่ยพึงหวังผลอะไรได้บ้างนนี่ตั้งยี่สิบสองข้อแต่ท่านบอกว่าเป็นต้นนะยังมีข้ออื่นๆอีกมากอันนี้สงเอาเธอกุศลจิตเนี่ยดีจริงๆเลยคอองสอนว่าอนุบุพิกถาก็คือการแสดงทำตามลาดับนะว่า ขึ้นต้นด้วยทามใช่ไมแล้วก็ต่อด้วยศีลศีลเนี่ยเป็นเหมือนอะไรอุปมาศีลเหมือนกับถ้าคนข้ามฟากอาศัยอะไร <object queue. S 1> เรือนะถ้าเดินทางอาศัยรถถ้าร้อนอาศัยความเย็น <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาบอกศีลเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องบรรเทาภัยเกือบทุกชนิดเลยสำหรับคนเดินทางไกลก็เป็นเหมือนกับสเสบียงนะ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 อายุร้อยี่สิบปีแล้วอ่ะเรียกว่าความดียังไม่ได้ทําเลยอะจะตายอยู่ร่มร่อยร่มร่อย อ, อ, อยู่แล้วทํำยังไงดีพระพุทธเจ้าว่าไงบอกว่าให้สํารวมทางตายสํารวมทางวาจาและก็ความสํารวมทางใจก็คือประเภทสังวรสังวรมีกี่อยา่างสังวรห้าอย่างหนึ่งปัติโมกสังวรหรือเรียกว่าศีลสังวรสองสติสังวรสาม ญานสังวรสี่ขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรพวกสังวรเหล่านี้นี่แหละเป็นเสบียงเป็นที่พึ่งในภพหน้าอินทรีย์สังวรก็อยู่ในสติสังวรไงคือถ้าพูดแบบตัวอารมณ์ก็ได้แก่ตาหูจมูกเล่นกายใจใช่ไหมตกงนี้เรียกว่าพูดโดยอินทรีย์แต่ถ้าตัวที่เป็นตัวสังวรจริงๆได้แก่สติสติเป็นเป็นตัวสังวร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 เป็นปัจจัยแก่สังขารกี่ปัจจัยมนเสาวหน้าได้เรียนแน่สังขารไหนโอเวลาหมดแล้วครับท่านจะมีปัญหาอะไรไหมครับแถมท้ายถามหน่อยเถอครับทุาสานาโสทุสานโสก็คือเป็นคำอุทานของสัตว์นรกสี่ตัวนะทุก็คือมาจากว่าเราเนี่ยชั่วน ะ, ะเป็นคำอุทานเนี่ยในในคาถาซึ่งจำได้ไม่หมด